ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2549ณนเะวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวงตอนที่5 ขอเชิญท่านติดตามและฟังได้นะบัดนี้ ทำทุกๆคนเราก็คงจะไม่มีกำหนดว่าเราจะได้ไปเทศที่สันติอสศกอีกเมื่อไรแต่ตอนนี้เราก็ยังมีความจริงปรากฏอยู่ว่าเราจะได้เทศอยู่ที่สนามหลวงนี้ไปอีกเรื่อยๆไป ซึ่งโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่ของธรรมดามันเป็นโอกาสพิเศษมีเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นจึงเป็นไปได้และเป็นไปแล้วอัตมาก็เห็นว่ามันดีดีอย่างที่หนึ่งก็คือพวกเราได้เปลี่ยนที่ฟังธรรมสอง มันเพิ่มอนาเขตในการกระจายธรรมเพิ่มขึ้นแม้จะกระจายไม่ได้เต็มที่เพราะว่าคนยังไม่กลูกเกลียวมาร่วมรับฟังนักเสือาตมาก็รู้ตัวดีนะว่าอาตมาเป็นเพียงแต่สมณนะที่เขาเห็นเป็นเหมือนแรงของสังคมอยู่เท่านั้น ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในสังคมก็ว่าไปจนกว่าอาตมาจะเป็นหงส์สงางามอตอนนี้ยังไม่เป็นหงส์งงามยังเป็นแค่แรงที่เขาเห็นว่ามันไม่รู้สินะอาตมาว่าแรงนี่มันไม่ได้หน้าเกลียดหน้าชังอะไรน ะ, ะมันก็มีรูปร่างอย่างของมันแหละ อาจจะรูปร่างไม่รูปร่างไม่งามคอระหงทรงงามมันหงอะไรอย่างนี้น ะ, ะและเนื้อตัวอาจจะไม่สะอาดเกลี้ยกลาอมึงนก็ยังหงอะไรเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าแต่มาว่าพฤติกรรมของแรงนี่นะชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่สงบนะไม่รุกราน ไม่ระรานไม่ไปที่ก่อความวุ่นวายเป็นสัตว์ที่เก็บกวาดสิ่งโสโครกโดยเฉพาะของเน่าของเหม็นที่เป็นสัตว์เน่าสัตว์เหม็นให้แก่โลกแล้วไม่แย่งเวยนะไม่แย่งด้วยแรงเนี่ยไม่แย่งอ ถ้าเผื่อว่าเกิดสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่สมจะต้องไปต่อสู้จะต้องไปแย่งจริงก็ปล่อยให้สัตว์อื่นกินก่อนจนกว่าจะมีโอกาสได้กินบ้างแต่ก็พยายามเร็วเหมือนกันนะพยายามให้ถึงก่อนเหมือนกันเร็วถ้าได้เอาก่อนแต่ถ้าไม่ก่อนนะคนอื่นแย่งเอาก่อนแล้วเขาก็ไม่แย่ง แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีระเบียบเวลาลงมาพลึบนี่นะถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมาหัวหน้ายังไม่มาเปิดการกินก่อนเลยนะเขาจะไม่อ่ะนะตัวอื่นๆก็จะมาคอยยืนรอบอยู่งั้นนะ่ะยืนจ้องไปอยู่งั้นนะ่ะจนกว่าตัวหัวหน้าจะพรึบลงมาเริ่มต้นหัวหน้าเข้าไปเปิด ชึบกรุบเลยทีนี้เขาก็จะ ก, กรูเกลียวเข้าไปรับประทา น, นาเป็นสัตว์ที่บินสูงที่สุดเป็นสัตว์ที่บินสูงที่สุดเมื่อเขากินก็อะไรแล้วเขาก็จะไม่มาเสนอตัวมาวุ่นวายมาอะไรต่รกับสังคมเขาก็จะอยู่เขาสงบ ทั่วโลกก็รู้จักแรงนะมีแรงหลา ย, ลายพันหลายตระกูลนะแต่ก็คือนกแรงที่ทั่วโลกนะบางมีมอีอินเดียนแดงบางเผา่านับถือแรงหรือแรงคอนดอร์หรือไงนี่นะอาตมาจำอาจจะไม่แม่นแต่ดูมันจะใช่นะ พันคอนดอเขายกย่องนับถือเป็นสัตว์ที่เขาบูชาเคารพเลยนะพวกอินเดียแดงเผ่าหนึ่งีทอตมาจะต้องหยิบเอานกแรงหรืออีแรงมาเทียบมาเคียงก็เพื่อสื่อเพื่อทำให้คนเข้าใจว่าเราเนี่ยมันมีความขี้เรเหมือน มีแรงเลยเหมือนนกแรงแต่ในเนื้อแท้ของอิแรงไม่ได้เป็นสัตว์ที่ร้ายกาศไม่ได้เป็นสัตว์ที่เลวซามไม่ได้เป็นสัตว์ที่ทำร้ายทําลายอะไรสังคมเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยซ้ําแต่มีพลังมีอะไรในเนื้อตัวของแรงเนี่ยดีเยอะนะมีคนบอกว่าแรงนี่เหม็นสาบสัตว์ทุกชนิดเหม็นสาบทุกชนิด เนเหม็นสาบไปคนละอย่างคนละอย่างบางอย่างหนักรายย้ายยิ่งกว่าแรงกลิ่นเหม็นสาบหรือเหม็นหรือมีกลิ่นอะไรของเขาเนี่ร้ายกาศกว่าแรงแต่ธรรมดามันก็เหม็นคนก็เหม็นสัตว์อะไรที่มันมีโปรตีนมันมีธาตุสังเคราะห์ น, น้ำลมไฟที่สังเคราะห์กันอยู่แล้วก็เกิดการระเหยเกิดการสับเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีแบคทีเรียเข้าไปร่วมมันก็เหม็นทั้งนั้นแหละมีกลิ่นมีสารพัดวันนีน้ก็มีเรื่องที่อยากจะพูดนำก่อนที่จะได้เข้าเนื้อเรื่องต่อที่เทศเมื่อวานนี้พวกเราเนี่ย มันอยู่ที่นี่เนี่ยก็รู้สึกว่าผู้ที่เข้าใจได้ติดตามมีภูมิปัญญามีความเข้าใจเร็วก็รับรู้ได้เร็วปรับความเข้าใจปรับตัวได้ดีผู้ที่ยังปรับไม่ได้ฝืนก็ฝืนฝืนฝืนอยู่ก็ไม่อยากจะมาร่วมนักไม่รู้สึกว่ามันมีส่วนที่อยากจะมาร่วมก็มีมีแต่ในลักษณะที่เป็นเรื่องของ ความชอบก็ไม่ชอบและมีทั้งลักษณะของความกลัวความกลัวก็มีทั้งทันตาคติโทสาคติโมหคติพยาคตินั่นแหละมันเอียงไปข้างชอบก็มากันเยอะผู้ที่ชอบก็มาเอียงไปข้างไม่เคยชอบโทสาคติก็ไม่เคยมาเอียงไปข้าง ยังสับสนอยู่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัดเออมันดีหรือไม่ดีมันไม่เข้าท่ามาั้งจะว่าไม่เข้าท่าหรือมันก็ยังไม่ชัดนะักโมหะโมหะกติก็มีนะหรือชัดแล้วละ่ะรู้แล้วล่ะว่า ด, ดีแต่กลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้หรอกนะกลัวจะเกิดความรุนแรงกลัวจะบาดเจ็บกลัวจะร้อนกลัวหนาวกลัวลําบากลําบน กลัวไม่เป็นดังที่ใจตัวเองต้องการนั่นแหละมีอุปทานระดับไหนก็แล้วแต่ก็ไม่มาก็มีเพระเาะฉะนั้นในความลำเอียงมันมีถึงสี่ผู้ที่มาก็มาได้หนึ่งคือฉันทากติถ้าเอียงมาครังชอบเออมามันมีหนึ่งเท่านั้นนะที่มาอีกสามไม่ค่อยมา โทสากติคือชังไม่ชอบก็แน่นอนไม่มาหรือว่ายังอีหลักอีเรืออยู่ยังไม่ค่อยรู้ชัดรู้เจนโมหะกติอะไรเดียก็ไม่ค่อยมาหรือรู้ชัดแล้วล่ะแต่ไม่มากลัวนี่ยน่ะก็ไม่มาเพราะฉะนั้นไม่มากันถึงสเนี่ยหรือสองกับกว่าอีลักอีเรืออาจจะมามั่งไม่มามั่งออะไรก็แล้วแต่กับมีบ้างไม่มีบ้างนะโมหะอาจจะเป็นบ้างนะไม่ชอบนี่ไม่มาแน่กลัวไม่มาแน่ ก็เลยกลายเป็นสอ ง, สองกว่าสองครึ่งที่มานี่มาหนึ่งครึ่งอะไรเงี่ยสรุปแล้วก็ตามแต่สัจธรรมจะจัดสรรคนจะมาคนจะไปอะไรแต่ใดก็เราไม่ได้บังคับกันเราไม่ได้มานั่งใช้วิธีแบบโลกๆหลายอย่างเพราะว่าพเราให้อิสระเสรีภาพแก่แต่และบุคคลใช้ปัญญาใช้ความเห็น เห็นดีเห็นชอบอัตมาก็ใช้ปัญญาข้ออัตมานําพาแล้วก็ปรึกษาห้รือเกินบ้างแนะนํากันบ้างและพวกเราก็เข้าใจง่ายเห็นด้วยหลายคนก็เชื่อถืออัตมาเลยยกให้อัตมาว่าไงก็เอาทําตามกันขอให้อัตมาว่าก็มีนะบางคนก็ใช้วิจยารณญาณของตัวเองมากบางน้อยบ้างอะไรก็ได้เ็าไปไ ป, ไ ป, ไปตามเรื่องตามราวนะมีคนเอาโครงโลกกรนิษ มาให้นะจำได้ว่าอาตมาพูดถึงนกแรงรูปแรงดูร่างร้ายรุงรังภายนอกเพียงพึงชังชั่วชา้าเสพสัตว์ที่มรนังนรโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นสร้างทางผลน่ะ เพราะนั้นแรงนี่อยู่ที่วัชอยู่ที่บาทสุดท้ายบอกว่าดังจิตแรงเนี่ยส่วนต่างๆของเขาเนี่ยดูรูปร่างร้ายรุงรังภายนอกเพียงพึงชั้งชั่วช้าอะไรนี่ก็เข้าใจง่ายๆนะดูข้างนอกดูแล้วก็ไม่น่ารักไม่น่าชอบอะไรนะแถมยังกินสัตว์ที่ไม่มีโทษ ด, ด้วยอะไรงี้เป็นตน้นนะเปรียบกับจิตนะดังจิตเปรียบกับจิตสาธุชนที่กลา้า กลั่นสร้างพยายามมาไปที่จะกลั่นในการสร้างกลั่นกรองกลั่นนะไม่ใช่ไปสร้างอะไรตะพฤตตะพือสร้างอย่างสร้างสรรสรรสร้างสร้างสรรที่ไม่มีคอไม่มีคอกละรันคือสรรอย่างเลือกเฟ้นอย่างใช้ปัญญาสร้างกลั่นสร้างทางผลทางที่จะไปสู่การเกิดผลอะไรต่ใดที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ แรงในี่จึงเปรี่ย ม, มืัตจิตของคนที่เป็นดังที่โครงโลกนิตนี้ว่าก็ดีนะนี่เป็นโครงโลกนิทติผู้ที่เข้าใจในความเป็นแรงก็ตามหรือผู้ที่ได้จับมาเขียนซึ่งโครงนี้ผู้ผู้ที่เอามาให้ดูนี่รู้ถึงขั้นผู้ที่นิพน์แล้ว น, นะเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมบรมวงเธอกรมพยาเดชาดิสร โอ้ oh. ผู้นี้รู้ลึกอาตมาไม่รู้นะว่าโครงโลกณิตบทนี้แต่เคยรู้นะแต่จําไม่ค่อยแม่นแต่เคยรู้พบทวนนุมาก็เข้าใจแล้วอ่านก็รู้แล้วนะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นิพน์เพราะว่าโรกณิตเนี่ยโครงโลกณิตฐนี่มีคนแต่งหรือมีมีท่านผู้นิพน์เยอะนะหลายหลายท่านกันอาทีนี้ก็ มีการมากันอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ขออาตมาเองแหละไปผู้ขอจะขอบอกให้พวกเราทราบด้วยว่าการมาร่วมทําครั้งนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดง่า ย, ายาถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีอาตมาถ้าไม่มีเหตุการยุคนี้อย่างนี้และก็ไม่มีอาตมาเป็นหนึ่งส่วน ในหลายๆส่วนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ตามอาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทุลีละองของส่วนเหตุการณ์นี้ทั้งหมดอยู่ในนั้นและมันก็จะต้องเกิดเป็นอย่างนี้แหละถ้าจะบอกทุกอย่างมันเป็นไปตามพระเจ้าบรรดาลอะไรเนี่ยมันก็มีลักษณะนั้นบ้างแล้วก็มีลักษณะของคนนี่แหละเป็นตัวแปร ى. อ่าเป็นตัวแปร ى. ถ้าสมมุติว่าอาตมาไม่ตัดสินใจมามันก็จะแปรไปอีกเรื่องหนึง่ง เหตุการณ์คราวนี้ก็จะแปรตัวมันก็จะมีเกิดไปตามเขามันนะ่ะการชุมนุมเขาก็จะเกิดต่อไปเขาก็จะมีคนมาร่วมอย่างนั้นอย่างนี้อันนัอันนี้อะไรก็กแล้วแต่จะมีน้อยมีมากอะไรก็ตามใจก็จะเป็นไปอย่างนั้นพออาตมาพากันมาอีกมาร่วมมันก็จะเกิดลักษณะแปรมีคนมาร่วมหรือมีคนไม่มาร่วมพวกที่เขาต่อต้านก็มีไม่ใช่ไม่มีอตาตมาเข้ามานี่ถ้าไม่เกิดการต่อต้านลถ ที่จะมาร่วมก็มีอาตมาพาพวกเรามาคนที่มาร่วมเพิ่มกล้าหารเพิ่มขึ้นมาผนึกเพิ่มขึ้นก็มีจะส่วนในมากในน้อยก็ตามสัจธรรมอาตมาก็ไม่ใช่เป็นนักพยากรณ์และก็ไม่ได้ไปตรวจสถิติอะไรทีชัดเจนนักในสังคมโลกตามภูมิปัญญาของอาตมาที่จะมีรู้แล้วก็พอพูดให้พวกเราฟังได้ หลายอย่างมันซับซ้อนเป็นอจินไตยเยอะแยะสังคมก็เป็นไปอย่างนี้มันจะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอยู่ในเหตุการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยก็เกิดไปเป็นมากบ้างน้อยบ้างตามเรื่องตามเหตุปัจจัยของมันทีนี้มาถึงยุคนี้แล้วนี่เหตุปัจจัยต่างๆนานามันก็เป็นไปอย่างนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ อาตมาเห็นว่าการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นี่เป็นเรื่องที่ได้ขยายความรู้ได้ขยายสิ่งที่จะยืนยันอธิบายความหมายของธรรมะพระพุทธเจ้ามันได้ยืนยันได้อธิบายอย่างเป็นต้นว่าที่อาตมาอธิบายชัดเจนขึ้นว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เลือกฝ่ายนะ เป็นต้นไม่ใช่ว่าธรรมะพุทธเจ้าจะไม่ให้เลือกฝ่ายเพราะฉะามันทุกอย่างจะต้องรวมอยู่กันหมดแล้วไม่แปลนฝ่ายไม่ได้แตกแยกไม่ได้มันก็แตกแยกทั้งนั้นยุคพระพุทธเจ้าก็ยังมีความแตกแยกเลยอย่างน้อยพระเทวท่าก็แตกแยกหรือว่าพวกฉับพังคีงต่างๆกลุ่มต่างๆของสงฆ์ของพระแท้ๆก็ยังแยกก็ยังระแหงกันไปมันเป็นธรรมชาติของสังคมจะเป็นอะไรเป็น เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างเลยหนึ่งเดียวกันพร้ อ, รอมเลยมันไม่มีหรอกมันหาไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะแตกแยกก็ควรจะแตกแยกแค่สองฝ่ายแลว้วก็ดีสุดถัดยิ่งหลายฝ่ายยิงเละสองฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งเอาเลยรวบรวมน้ำหนักอันไหนดีอันไหนชั่วหรืออันไหนไม่ควรอันไหนควร แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ยืนหยัดยืนเยันมัก็ให้เลือกฝ่ายบัณฑิตเลือกฝ่ายควรฝ่ายพานอย่าเลือกอย่างนี้เป็นตน้นหรืออัตมาได้อธิบายถึงเรื่องนิคเนียนิคหารห า, า ห, ารหางัปาหาหางปักเนียปคกหราหังเพิ่มขึ้นว่าเราพูดนะไม่ใช่ไม่พูดว่านะไม่ใช่ไม่ว่าคนเป็นกลางไม่ใช่จะต้องนิ่ ง, งสง บ, สงบพูดทั่วพูดดีก็ไม่ได้พูดเข้าข้างคนดีถล่มคนชั่ว ไม่ได้ไม่ใช่ได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันอัตวบงก็พูดมาบ้างแล้วแต่คราวนี้มันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องจริงมันก็เป็นขึ้นมาแม้แต่ที่สุดคนที่เข้าใจผิดก็กล้าที่จะออกมาแสดงตัวละมาพูดมากล่าวถล่มคนไม่ดีส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ผิดสิ่งที่ผิดเอาออกมาประจานเอาออกมาเปิดเผยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดแล้วเกิดยิ่งขึ้น ตัง้งแต่ก่อนนี้ไม่กล้า ก, กันไม่อยากทําแต่คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหมันมันมีองค์ประกอบที่ชี้บ่งเห็น ช, ชัดเจนเลยว่ามันเกิดการเลือกฝ่ายกันขึ้นมาแสดงตัวเข้าข้างเข้าฝ่ายโอ้โขนาดขาสัน้นเด็กอายุสิบกว่าอ๋อยังมาแสดงตัวเลยเด็กมัธยมคนที่เป็น นักวิชาการนักรู้ที่ไม่ค่อยจะอยากจะแสดงตัวเข้าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เท่าไร่เพราะเข้าใจความเป็นกลางว่าอย่าไปเข้าข้างใครอย่าไปว่าคนไม่ดีเขาเดี๋ยวนี้ออกมาว่าแล้วนะ ม, นนนน า, มนาิคัเฮนิคหรหังมานิคาหะคือตํำหนิติเตียนสิ่งที่ไม่ไม่ถูกไม่ต้องเอาแตย่อย่อ ง, อ ง, องสิ่งที่ดีที่ถูกไม่มากนะักหลักพุทธเป็นอย่างนั้นน่ะหลักพุทธ ยกย่องสิ่งที่ดีสิ่งที่สูงส่งมัวแต่ไปหลงสรรเสริญกันอยู่มากไม่อ่ะไม่ค่อยหลงกันอยู่มากหรอกแต่ก็สรเสริญยกย่องแต่ตําหนิสิ่งที่ตําหนิเพราะเหตุอะไรอาตมาก็พูดมาซ้ำซากเพราะความไม่ดีเหตุแห่งความไม่ดีมันอยู่ที่ใครเกิดอยู่ในสังคมเกิดในตัวบุคคลต้องรีบรู้ก่อนแล้วด้วจะจัดการกําจัดอย่างในยะคราวนี้เราว่าตัวปัญหาคือนายกทักษิณงี้เอาออกก่อนจัดการก่อน ในประเด็นอของสังคมแล้วก็เข้าไปถึงส่วนตัวคือตัวนายกเป็นตัวกลางเป็นตัวเหตุเอาอันนี้ก่อนแล้วอันอื่นจะแก้ไขยังไงก็จะง่ายขึ้นก็ยิ่ช่วขึ้นอันนี้เป็นความเห็นร่วมของสังคมขณะนี้นี่มากเลยพวกที่เขาเห็นอยู่ก็มีแต่น้ําหนักของผู้เห็นร่วมนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, น, เ, พนเพิ่มขึ้นว่าปัญหาอยู่ที่นายกมีอะไรมากมายที่บางทีก็พูดอธิบายไม่ออก อ, อธิบายยาก อาตมาก็เลยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างก็ฟังดูดีๆเหมือนนาย ก, กอนายกอนายกอน้นายกอไก่นะฟังให้ดีนะอาตมาสมมตินายขอไข่ก็แล้วกันเนาเดี๋ยวนายกอไก่จะห า, าอาตมาไปว่านายกนายขอไข่นายขอไข่แต่งงานมีเมียคนนึง จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายาเสียเลนายขอขายก็ยืนยัดยืนยันตามกฎหมายแต่นายขอนี่นะมีเมียคนเดียวก็จริงแต่มีเงินเอาเงินไปล่อผู้หญิงมาสัมส่วนเสพเอาอำนาจมีอํานาจด้วยนะก็ใช้อํานาจไปหาผู้หญิงมาสัมส่วนอัตมาสมมุตินายขอนะอย่าเข้าใจผิดนะ ในขอนก็ไปสัมสร น, นผู้หญิงคนนั้นคนนี้เสียด่านเดียวหนะ้าูแต่ประเด็นเดียวประเด็นแต่ว่ามันไม่มีศีลธรรมศีลธรรมไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีไม่เป็นที่น่า ย, ยกย่องนับถือไม่เป็นที่เคารพของสังคมเพราะไปทำผิดอย่างเนี้ยใช้อำนาจเงินไปดึงซื้อเอาผู้หญิงมาสัมสร น, น เสร็จแล้วก็ประกาศตูมตมบอกผมมีเมียคนเดียวใช่ยังมีเมียคนนั้นแหละก็ยังอยู่ยังรักเมียคนนั้นอยู่แหละแต่คุณเองคุณประพฤติอย่างนี้แหละซ้ำซ้อนว่ามีผู้หญิงก็ไม่รู้กี่คนกี่คนกี่คนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ผิดกฎหมายใช่คุณไม่ผิดหรอกแต่คุณผิดศีลธรรมคุณบกพร่องทางศีลธรรมจริยธรรมอันไม่ควรมากๆในกามมีปุ่นประเด็นกามประเด็นเดียวนะ อาตมาไม่ได้พูดประเด็นอื่นนะทำาป็นพฤติกรรมที่ไม่สมเหมาะสมควรในศีลธรรมที่ไม่สมเหมาะสมควรประเด็นอื่นก็เรื่องยิ่งมีอีกแันนี้สมมุติอันเดียวนี่อย <t> ่างนี <t> ้เป <noise> ็นต <t> ้นไม่ผ <t> ิดกฎหมายหรอกอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าเอออย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ขณะนี้เนี่ยอาตมาก็ยกตัวอย่างอะไรให้ฟังยกตัวอย่างในขอให้ฟังนี่เป็นต้นนะ สังคมมันเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วเลือกฝ่ายแล้วก็มาร่วมกันเพราะงั้นผู้ใดที่ยังไม่ได้มาตอนนี้มันเขี่ยวคนเข้ามาแล้วนาเหตุการณ์วันนี้วันที่ส0บ1อแล้ว <c oughs> วันนี้วันที่11บอแล้วะใะล่วันดีเดย์ วันที่ส4วันเคลื่อนขบวนวันที่13เป็นวันรวมพลตั้งแต่วันนั้นอะรวมพลไปจนทั้งเย็นตรงก็ต้อ ง, งไปกลางคืนเช้าเคลื่อนขบวนเจ็ดโมงเพราะจะอยู่กันทั้งคืนนนั้ น, นะเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมตัวให้ดีเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่มาก็มาร่วมกั น, นพยายามบอกกล่าวกันได้ก็ดีส่งข่าวส่งคราวกันได้ก็ดี การที่พวกเรามาปฏิบัติมาอะไรนี่อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังบางบางอย่างบางเรื่องบางบางรูปธรรมเรามาอยู่ที่นี่กันแล้วเสร็จอาตมานั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นประธานอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นนักบวชวันตั้งวันกผ่านไปผ่านมาก็เห็นอาตมานั่งอยู่ตรงนั้น <c oughs> เสร็จแล้วก็มีพระอันดับน่ะมีสมณะนั่งเป็นปึกอยู่ข้างหลังอาตมา เป็นปึกอยู่งั้นแหะไม่ได้ทําอะไรแต่ทําทํานั่งนิ่งๆทํานั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆละ่ะอยู่งั้นวันทั้งวันก็ผ่านไปผ่านมาก็นั่งนิ่ ง, งเป็นปึกอยู่งั้นน่ะไม่เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่จุนจานไม่วุ่นวายไม่อะไรนั่งอย่างงั้นทั้งวันวันแล้ววันเหล่าทุกวันก็มามันนั่งอย่างเงี้ยเหมือนไม่เกิดอะไรแต่เกิดอะไรไหม เกิดน้ำหนักอะไรขึ้นมาพวกคุณก็คงจะเข้าใจว่ามันเกิดน้ำหนักอะไรน้ำหนักสิ่งหนึ่งที่คนที่สัมผัสแล้วก็รู้อืมพระมันนั่งกันอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็มีเชิงที่จะทำให้ความรู้สึกของคนนี้เกิดขึ้นหลายอย่างคนไม่ชอบเข้าก็บอกมันมันนั่งบ่าอยู่ทำไมวะคนไม่ชอบก็คิดได้ก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ มันมันนั่งอยู่ทำไมเอาเวลาเวลาไปทำประโยชน์ น, นั่น น, นี่ก็ได้แต่เหตุการณ์คราวนี้เราจะต้องทำอะไรขึ้นมาอย่างส่วนคนที่เข้าใจก็จะมองว่าโอ้เ น, นอะท่านเสียสละท่านมาเป็นมวลมาเป็นน้ำหนักอย่างน้อยก็มาแสดงความสงบมาแสดงความนิ่งมาแสดงความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยืนยัน ให้เกิดความนิ่งเกิดความสงบเกิดมวลอะไรที่เป็นปึกแผ่นขึ้นมาเป็นแกนเป็นหลักเนี่ยอัตมาใช้ภาษาแต่ละคำแต่ละคำคุณฟังตามไปก็แล้วกันนี่หยิบขึ้นมาอธิบายให้เราฟังจุดหนึ่งในหลายๆจุดพวกเราคารวาสก็มารวมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้ยิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ยยิ่งดีใหญ่ ดูเต้นก็โอโหเป็นระเบียบดีเรียบร้อยดอีถูกคุณจำลองหวดเขาซะเลยเป็นรูปเป็นร่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเป็นแถวเป็นแนวสวยดูดีทีนี้ก็การเคลื่อนไหวของพวกเราก็ทำงานทำงานอย่างที่เราทำอยู่ในรูปของตรงนี้มันไม่มีอะไรมากเราไม่ได้มาค้ามาขายเราได้แต่มาแจกตรงนี้ไม่ได้มาค้ามาขายมาแจกเราก็แจก แจกไปแจกมาจนกระทั่งกลายเป็นลงบุญแล้วตอนนี้แลลงบุญแล้วทีนี้ก็มาจัดคิวจัดอะไรกันอจัดอะไรอะไรกันไปก็ดีนี่ก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็คิดไม่ถึงว่าเรามาจะแจกนี่เราจะไหวเลอเพราะเราก็ไม่ใช่ร่ำ ร, รวยเนาะคนจนเนาะแจกไปแจกไปยิ่งแจกไปยิ่งเพิ่มมายิ่งแจกไปยิ่งเพิ่มมา น, นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าตอนจบเนี่ย จะมีน้ํากินไหมว่าไงคําตอบแต่จ ะ, จะมีน้ํากินไหมในไปอีกนานาน า, นานจะมีน้ํากินไหมจะเหลือขนกลับไปไหวไหมเนี่ยอาตมาว่าจะจะจ ะ, จะจบตรงนั้นนะ น, นะเอารถทั้งงานเสร็จเนี่ยน้ําดื่มเนี่ยมันจะมันไม่ใช่ไม่มีอีกดื่มมันจะขนกลับไปไหวไหมเนี่ยคล้ายๆงั้นเลยเดี๋ยวคนก็ทยอยมาเอามาช่วยอุดรุนจุนเจือ ส่วนนั้นส่วนนี้วัตถุดิบที่จะทำอาหารพวกเราก็มีคนมาช่วยดีไม่ดีก็มาลงแรงช่วยด้วยามาทำอาหารช่วยกันไปเนี่ย น, น, น้ำเทศบาลก็มาต้องบอกให้กลับไปน้ำดื่มบอกว่าโอ้โหมีคนมาทำบุญเยอะแล้วก็ให้บางคนกลับไป ทีนี้ก็อยากจะขอเตือนพวกเรามีคนติต่งมาว่าเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเรามาเป็นผู้รับใช้เรามาเป็นผู้รับใช้เราไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมาเบงมาแสดงอำนาจเรามาเป็นผู้บริการนะเพราะงั้นอะไรที่เราจะต้องบริการส่วนอื่นหรือพวกเราเองถ้าใครมีความเข้าใจมีความสำนึกนะว่า เออมาอย่างนี้เนะี่ยเราจะต้องค่อยช่วยเหลือเฟื่อฟายกันบริการกันไม่ใช่ว่าใครมาเป็นภาระมาก็มาเป็นภาระคนนั้นมาเป็นภาระคนนี้ไม่ดีนะเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามมองพยายามดูเออเราช่วยกันคนนั้นคนละมา้าคนละมือบริการอย่างที่เราได้จัดแจงได้ปฏิบัติกันไปเนี่ยนะ <c oughs> หลายอย่าง อ า, อาหารเราทําก็จะมีขยะเปียกขยะเปียกที่พวกเก็บขยะไม่เอานะพวที่ถือถุงแห่เขาทาขยะ ก, กันดีช่วยเก็บเหมือนกันแต่เขาไม่เอาขยะเปียกเพราะฉะนั้นขยะเปียกนี่ต้องอาศัยพวกเราทํามันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต้องขอแรงเพิ่มเติมช่วยบ้างถ้าขยะเปียกนี่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเหนนะม็นนะมันเน่ามันเละ แล้วเหม็นแล้วก็เกิดเรื่องเลยนะไม่เหมือนขยะแห้งขยะแห้งไม่เท่าไรแล้วขยะแห้งนี่คนช่วยเก็บเยอะไม่ต้องกลัวแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังจะต้องช่วยทำอยู่นั่นแหละทั้งขยะแห้งขยะเปียกนะเพราะงั้นก็ต้องการคนมาช่วยอ่าอาสาสมัครมาเพิ่มนะใครเป็นอ่กลุ่มผู้ดูแลถังด้าขยะมั่งใครอีกนะ ห ล, หลายผู้หลายคนก็ไปสอบถามกันเอาเองกันแล้วกันนะอัตมาไม่ได้ไปไ ป, ไปร่วมจําว่าใครจะใครบ้างทีนี้อาหารการกินเราก็จะต้องใช้หม้อใช้ไหใช้ชามใช้ไม่ได้มีไห้เนี่ยมีหมอ้อมีกระมังมีถาดมีจานมีชามอะไรเพิ่มขึ้นหม้อใหญ่ๆก็ต้องใหญ่ขึ้นล้างกันคนล้างกันหนักจึงต้องการคนไปช่วยนะไปช่วย ช่วยในการชําระรางชําระครืองงานนี่ใช้ปฏิพานนะพวกเราใช้ปฏิพานเถอะว่าอะไรมันจะเกิดเพิ่มขึ้นนะเนี่ยต้องช่วยกันมากขึ้นในด้านนั้นด้านนี้อ่าแล้วก็จะมีคนส่งสัญญาณหรอกพกราะเวลาเขาทำงานกันขึ้นเนี่ยเราแบ่งหน่วยงานกันแล้วรับผิดชอบไปเขาก็จะรู้ว่าเอตอนนี้มันจําเป็นจะต้องเพิ่มอันนี้แล้วนะอย่างนีเน้เขาก็จะมาส่งสัญญาณบอกอย่างน้อยก็มาประกาศกันว่าอะไรอะไรแล้วก็สําเนียกหน่อยนะฟังฟัง ฟังฟังดูว่าอะไรมันควรจะเพิ่มตรงไหนเราก็ไปช่วยกันเพิ่มเติมมันก็จะเกิดการสะสางหสองของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสางประเด็นหรือจุดที่มันเกิดกรณีที่ต้องการพลังรวมให้มันเสร็จสิ้นไปมันก็จะเร็วไวน่ากะเรียบร้อยได้เร็วนะสิ่งพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่มันเกิดเหตุการณ์มาให้เราได้เป็นโจทย์ เป็นโจทย์เป็นแบบฝึกหัดที่เราจะปฏิบัติไปเรามีหลายอย่างที่เราทําแล้วสังคมยังตามเราไม่เราไม่ทันนะสังคมยังตามเราไม่ทันหลายอย่างอาตมาไม่เล่าหล่ะไม่อดบอกแล้วว่าอะไรบ้างนะย่างน้อยเนี่ยนะแม้แต่พวกเรามามักน้อยสันโดสนี่ก็สังคมตามเรายากตามยังไม่ทันเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีไหมคุณอัญเชลีซัก โอ้จะมาอย่างนี้แล้วมันจะทํำยังไงได้ใครจะมาได้เอาก็คนทั้งนั้นนะครนี่มาแล้วทำไมยังจะมาได้ก็คนทั้งนั้นนะอาตมาไม่ได้เอาช้างออกมามาซะหน่อยอ่ก็คนในประเทศในมดมดในโลกนี้แหละก็มาได้ก็เขามีภูมิปัญญารู้เขาก็ว่าเออนี่ดีเขาก็มาอย่างนี้เดจะมาแต่อาตมาไม่ได้พูดอย่างนี้ในบนเวทีเมื่อวานมัน ด, ดูมันหน้ามันไส้เกินไปฮะ เ, เดี๋ยวก็มันไส้เกินไปก็เลยตอบมันยวนไปยี่ยวนไปแต่เรื่อนี้พูดกันเองนะใช่ไหม คือมันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มเรจะอาตมาท่าบอกว่าทุกวันนี้นี่อาตมาไม่มีปัญหาเพราะอัตราการก้าวหน้าอัตราการก้าวหน้านะมันมันก้าวหน้านะ progression ratio อัตราการก้าวหน้าเนี่ยมันเกิดอยู่เสมอเลยทุกวันนี้เช้อโศกเราเนี่ยเกิดอัตราการก้าวหน้าในการเพิ่มทั้ง ปริมาณมวลมวลเป็นปริมาณเพิ่มเพิ่มทั้งคุณภาพนั้นเพิ่มอยู่เสมอทั้งสองด้านคุณภาพปร t มาณเกิดทั้งสองด้านมันเพิ่มขึ้นอยู่เสมออาตมาเห็นอย่างไงนะใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองดูดูมวลปริมาณคน คุณภาพในเนื้อของคนเพิ่มเติมขึ้นด้วยเกิดการเจริญขึ้นอันนี้ก็ขอย้ำแต่ละคนจงพยายามดีเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้ น, นหรือพัฒนาให้ตนเองเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่าหยุดอยู่พระพุทธเจ้าท่านสันเสริมไหมการหยุดอยู่ไม่ได้สันเสริมการหยุดอยู่เราดีแค่นี้เอาละแค่นี้ก็พอแล้วนั่นผิดละพระพุทธเจ้าไม่สอนท่านสอนการเจริญยิ่งวุฒิวุฒิ เพราะะทิติยังทรงอยู่เนี่ยไม่สรนเสริญป่วยการกล่าวไปใหญถึงป่หานะความเสื่อมท่านไม่สรนเสริญความหยุดอยู่สันเสริญแต่ความเจริญยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นธธธธยิ่งขึ้นวุฒิวุฒิยิ่งขึ้นนะเพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเสื่อมท่านไม่ส่งเสริมไปส่งเสริมแ น, น่นี่ก็เป็นหลักการวิธีการพุทธเจ้าท่านแล้วเราก็เข้าใจ ท่านตัดไว้เป็นหลักอย่างนี้มันเป็นสัจจะใช่ไหมใครจะเถียงเน่ใช่ไหมคนที่อยู่กับที่ที่อยู่กับหมู่เขาหมู่เขาเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปแต่คุณอยู่กับที่เป็นไงคุณถอยหลังเท่ากับคุณถอยหลังคุณอยู่อยู่กับที่แต่เพื่อนเขาเดินเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปหมู่เขาเคลื่อนไปก็เท่ากับคุณถอยหลังคุณไม่ได้ถอยหลังหรอก แต่เห็นไหมโดยรีเรแอทีฟโดยปฏิสัมพัสหรือโดยคอน t ิ n นียรัมดยคอน t ิ n นียัมโดยสัมพัสโดยสภาพสัมพัสพที่ร่วมกันอยู่มันเห็นได้ชัดว่าคุณถอยคุณไม่ถอยแต่นั่นแหละโดยองรวมแล้วคุณกลายเป็นคนเสื่อมหรือถอย หมู่ก็ก้าวหน้าไปแต่คุณอยู่กับที่เนี่ยคือคำตรัสของพระุจาที่บอกว่าท่านไม่ส่งเสริมคนหยุดอยู่ท่านส่งเสริมคนเจริญเจริญยิ่งยิ่งนจึงต้องสังวรระวังเพิ่มพุงเราให้ได้เพิ่มอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาหรือเพิ่มวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะให้สูงเติมขึ้นไปเรื่อยๆนมีคนเตือนมาถึงเรื่องปฏิสันถาน ญาติทีมทของเรานี่ก็ขอให้ฝึกดีๆการปฏิสันทานนั้นดีแต่ปฏิสันทานด้วยกริยามารยาทกริยามารยาทของเรานะี่ยต้องสังเกตกายกรรมวจีกรรมของเราบางทีมันดูอ่อนเกินไปก็น่าเกลียดน่ามันไสนสุภาพเกินมันก็น่ามันไส่แตท่ที่อ่อนเกินก็ไม่กระไรเราไม่เกิด เ, เรื่อง มันเกิดเต้นหน้ามันแท้อยู่ในใจแต่ไอ้ที่กระด้างเกินไปสิจะเกิดเรื่องระวังกิริยามารยาทที่มันกระด้างเกินไปมันแข็งมันทั้งวาจาก็ดีกายกรรมก็ดีที่มันไม่ไม่เหมาะสมไม่พอดีเพราะฉะนั้นก็พยายามคนข้างนอกกดตามคนข้างในเข้ามาคนข้างในพวกเราเอาละเราก็รู้ทีนี้มีคนข้างนอกสารพัด ส, สารเพ เราต้องพยายามให้ดีนะบางทีบางคนนี่โอ้โหมาในรูปลักษณะที่แม่มันไม่หวัดไม่ไว้เลยนะีมันแม้แทบจะไม่อยากจะต้อนรับอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําใจและก็ต้องพยายามมีศิลปะวิธีที่จะต้อนรับเขาให้ได้อย่างที่เรียกว่าเขาไม่เกิดจิตที่จะปฏิฆะหรือเกิดจิตไม่ดีกับเราเราก็บริการเข้าไปพอสมควรให้ได้เรียบร้อยอย่าง ถ้าอยากจะให้เร็วคุณก็ต้องใช้วิธียาให้มันกุนแรงใช้ศิลปวิธีที่สามารถทำให้เขาเออจบแล้วพอใจแล้วแล้วก็เออพักออกไปได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการฝึกฝนเป็นการเรียนรู้ต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาให้รู้ทุกขณะเพราะว่าโจทย์คราวนี้นี่มันเยอะโจทย์คราวนี้นี่มันลึกซึ้งโจทย์สูงขึ้น ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้น้อยลงเลยโจทย์สูงขึ้นแม้แต่ในสมณะเองก็ตามมีการสงบมีการนิ่งมีการไม่ไปวุ่นวายจุ่นจ้านในจุดที่ไม่ควรอะไรอะไรต่างๆนานาและก็นั่งทนทั้งที่พวกเรานี่มาใช่นั่งนักนั่งสมาธินะแต่ก็นั่งอยู่ได้ทนพอได้เหมือนกันไม่ค่อยอะไรมากมายน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเราเองด้วยทุกๆด้านในในในยะหลายๆอย่างหลายๆอันอเพราะงั้นในขณะที่เรามีเหตุปัจจัยมีคนมาสารพัดสารเพอโอ้เยอะเหลือเกินสติไม่สมประกอบก็มีเหล้ากินเหล้าเมามาพูดก็ไม่รู้เรื่องก็เยอะคนมีนิสยัยแรงๆแล้วก็คอนๆจะ ไม่ค่อยจะเต็มนะักก็มีโอ้โหทจะรับยากนะรุกรับลูกยากมากเลยนี่แหละคือว่าเป็นโจทย์ที่โอ้โหถ้าไม่เกินเหตุการณ์นี้นี่ไม่มีโจทย์นี่มาทำนะเราจะได้รู้เราใจเราจะขึ้นเร็วไหมเราจะอดทนพอไหมเราจะมีศิลปะวิธีสามารถที่จะปฏิสันฐาน คือต้อนรับกันอย่างงดงามต้อนรับกันอย่างมีผลสูงเป็นคนมีความสามารถอยู่กับสังคมาะสามารถรับได้ทุกทิศรับได้ทุกรักษณะมาคนสารพัดล้วก็รับได้สัมพันธ์ได้ทุกขนาดนี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากเป็นเรื่องสังคมศาสตร์ เราอาจจะอยู่กับคนละผู้คนหมู่อะไรก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาวาระที่จะต้องมาคบหากันจะต้องมาสัมพันธ์กันจะต้องมาร่วมในส่วนที่จะต้องร่วมกันเมื่อเขาไม่มีอะไรเขาจะมาร่วมกินกับเราอย่างเดียวจะมาขอแบ่งของเราไปกินก็เถอะก็เป็นจุดสัมพันธ์จุดหนึ่งเรามีพอให้เขากินได้ไหมได้อาจะมาตอบเองว่าได้ก็ต้องให้เขาด้วยน้ําใจที่ดีปฏิสันถารกันอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษยชาติของเรื่องของสังคมทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วเราก็ไม่เข้าใจละเอียดแล้วเราก็ไม่ได้คุณธรรมไม่ได้สมรรถนะสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่สังคมก็ไปไม่กว้างกลายเป็นกลุ่มหมู่เฉพาะมันคนเดียวนี่ตอนนี้ออกมาสู่สังคมกว้างขึ้นไปตามลําดับอัตมาไม่ได้พลีพผามพาเพวกเราเข้ามาลุยแหลกไปหรือกว้างไม่มีจังหวะจะคนถึงเวลาหรือยังสมควรหรือยังไม่เลยอัตมาไม่ค่อยจัด แต่เหตุการ์มาข่าวนี้อาตมาก็ไม่ได้จัดแต่เหตุปัจจัยมันรปจัดของตัวมันเองซึ่งคุณทุกคนเห็นได้อาตมาไม่ได้เป็นคนมาจัดสรรให้เป็นให้มาเป็นเพียงอาตมาตัดสินเท่านั้นเองว่าเอสมควรไหเนี่มันมาแล้วมันเป็นงี้แล้วนะเอาเาเอาเอาก็เอาก็วินิจฉัยใช้ปัญญาเท่าที่มีเท่าที่อาตมามีความฉลาดเท่าที่อาตมาโง่ มีความโง่เท่าไหร่ก็อัตมาก็ใช้สูงสุดที่เท่าที่อัตมาฉลาดถ้ามันโง่ก็พยายามใช้หาความฉลาดของเรามีมาใช้มันสุดที่ฉลาดหรือว่าถ้าเรานึกว่าเราฉลาดก็ใช้ฉลาดเท่าที่เราสุดฉลาดแล้วเท่าที่เราโง่นั่นแหละนึกว่าเราฉลาดแล้วที่แทสคิเตอรขายคิเตอ ร, อ, รออกมาได้แค่นั้นก็เท่านั้นแหละอัตมาไม่ได้อ่อนข้อไม่ได้ไม่ได้ core, ไไดไไดอะไรนะลถย่อน ว่าแม่ต่อให้ไม่ทําเต็มที่พยายามทําเท่าที่อาตมามีความฉลาดเท่าที่อาตมาโง่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเราได้มาร่วมที่จะต้องสู่สนามปฏิบัติอย่าเรียกว่าสนามรบเลยมันน่ากลัวมนะนะาสู่สนามปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็จงใช้การปฏิบัติหรือสู่สนามปฏิบัตินี้ให้ได้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ยิ่งๆเลยมันเป็นโอกาสของเราแล้วเราได้เลิกไม่ใช่เลิกหรอกเราพักเนี่ยหยุดงานหยุดการมาบางคนทิ้งสวนทิ้งไร่มากลับไปบ้านตอนนี้หน้าร้อนหน้าแดดอะไรมากมายด้วยไม่รู้ต้นไม้จะตายไปเยอะเท่าไหรน่นินขาดนงขาดน้ําไม่ได้รดน้ถถํารดท่าอะไรต่างๆนานากลับไปจะตายเท่าไหร่ก็เอาละเสียสละไว้ก่อนอย่างน้อยไปปลูกขึ้นใหม่น่ะ มีอะไรก็เก็บต้นที่มันยังไม่ตายกินไปก่อนหรือต้นที่ตายแล้วแต่กินได้ก็กินมันก่อนมันจะตายแล้วก็ปลูกใหม่ไปตามเรื่องตามราวอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนขยันมัน่นเพียรพึ่งตนเองรอดจนกระทั่งเหลื้อเฟือแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นได้สูตรสําเร็จพวกนี้ดีพูดแล้วพวกคุณเข้าใจมากขึ้นแล้วบอกโอ้ชีวิตของคนประเสริฐอย่างนี้เอง ไม่ต้องไปแย่งจิงไม่ต้องไปกอบคนไม่ต้องจะส่องสะสมยิ่งอยู่กันเป็นมวลหมูม่มีระบบมีวิธีการดําเนินชีวิตอย่างนี้คนขยนันมันเพี้ยนก็สร้างสารรได้มากมาๆาๆกมก็เลือแบ่งกันเอาตัวเด็กตัวเล็กไม่ทําให้พอกินแล้วก็แบ่งไปคนแก่คนเต่าชักไม่ไหวแล้วเส้นยึดแล้วทําอะไรงงๆอย่างเ้แต่แขกจะเดินเองก็ยังลำ บ, บากแล้วอา้าวกินไปยังไม่ตายนี่ก็ต้องใครกินกันเลี้ยงดูกันไปเจ็บป่วยก็รักษา ช่วยระประกองไปตรงนั่งอย่างนี้ไปซึ่งมันเป็นเรื่องของมนุษย์แท้เลยอาตมาว่าการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออุ้มชูกันเนี่ยมันสุดประเสริฐอะไรก็เงินอะไรก็เงินอะไรก็เงินอะไรก็เงิ น, งนมันจะบ้าอลไรสังคมทุกวันเนี้ย อ, อะไรก็ gdp gdp gdp อาตมาว่าถ้าไปเพ่งแต่เรื่องจุดโน้นไม่มาเพ่งจุดพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมของสังคม ที่ควรจะอยู่ในลักษณะไหนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วที่อาตมาพูดนี่อาตมาว่าอาตมาไม่ไม่ใช่เขาอาตมาเองหรอกแต่ใครจะบอกว่าอ น, นี้อาตมาเองไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า ก, ก็เอานะเอานะ <c oughs> ความจริงก็ของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วอาตมาก็นํามาสืบสารต่อในลักษณะพวกนี้ช่เฉลือเกือกูนเอื้อเฟื้อเจือจานมักน้อยสันโดษแล้วก็มารู้จัก ช่วยกันอนุเคราะห์เกื้อกูลอะไรกันทุกชนิดอย่างเนี่ยและไม่ต้องสะสมอาตมาภูมิใจนะว่าสอนทพวกเรากล้าจนจนไม่ได้ไม่ต้องสะสมเนี่ยโอ้โหอาตมาตายไปวันนี้ก็ภูมิใจภูมิใจที่สอนที่พวกเราเกิดเป็นคนไม่โลภแล้วก็ไม่แย่งชิงแล้วก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องไปเอาเปรียบใครได้มากน้อยอะไรก็แล้วแต่เถอะได้และขณะนี้มีอยู่จริงทําได้ขนาดนี้เนี่ย ถ้ามาภูมิใจจริงๆภูมิใจว่าเออคนเรานี่เป็นได้นะไม่เอาไาเปรียบเขาขยันมันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เออแจกจ่ายเจรจ า, จ า, จ า, จ า, จาคนอื่นเสียสละไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากๆนะทําได้แล้วก็ของดีด้วยเอาไปโกงราคาเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ทํา แต่มีน้ำใจเจือจานแบ่งแจกมันยิ่งรวมพลรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มโตมันก็ยิ่งจะมีพลังงานสร้างสรรค์ที่มากขึ้นและพวกเราก็เรียนรู้ลดกิเลสลงไปก็จริงมากน้อยสันโ ด, ดลงไปอีกเรื่อยเรื่ อ, อ, อืการใช้สอยในตัวเราก็น้อยลงน้อยลงไปตามลำดับของภูมิธรรมที่สูงขึ้นไม่เปลืองอ่ายิ่งเป็นเครื่องกลหรือรถยนต์คันที่กินน้ํามันน้อยกินไฟน้อย แต่ประสิทธิภาพยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมีประสิทธิภาพในทุกด้านกว้างขึ้นอีกเรื่อยๆนั่นแหละคือการจเจริญทางเศรษฐกิจการจเจริญทางเศรษฐศาสตร์สุดยอดแต่วิธีลงทุนนิยมเนี่ยโอ้โหมันยิ่งตีราคายิ่งหาทางที่จะตั้งอัตราได้เปรียบต่างๆนาน า, นานาสารพัดหาทางที่จะเลี่ยงเลี่ยงภาษีเลี่ยงการที่จะสูญเสียหาทางที่จะเหลือให้แก่ตัวเองมากๆมากๆขึ้น ทนนิยมก็ยอมรับกันแบบนั้นเรายิ่งเห็นว่าโอ้โหอย่างนั้นมันเลวไร้มันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเลยมันไม่ไหวหรอกมันไม่ดีมันเป็นคนโหดร้ายเป็นคนเอาเปรียบคิดโลกเพ็นแก่ตัวเออมันไม่เข้าหลักพระพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าสอนธรรมาโิเจ้านั้นมาให้ต้องเห็นแก่ตัวยิ่งอย่าไปนั่งคิดหาทางที่จะเอาเปรียบอวรัตแค่คิดหาทางเอาเปรียบแค่คิดหาทางที่จะได้เปรียบ ไม่หาทางที่จะเสียสละช่วยยังชั่วแล้วบาปแล้วเป็นความคิดที่ผิดความเจริญของมนุษย์เป็นความคิดที่ไม่ประเสริฐแล้วนี่เราฟังทำ ม, มาเราเข้าใจได้ดีๆแล้วเราก็พิสูจน์ความจริงนั้นลดกิเลสเราจริงๆมันจริงเป็นจริงขึ้นมาได้อาตมาบังคับคนไหม อาตมาไม่เอาเลยชนิดหนึ่งบังคับไม่เอาสองชนิดล่อก็ไม่เอาบังคับเราก็จะต้องกลายเป็นคนที่เบ่งอํานาจเหนื่อยนะบังคับเนี่ยเบ่งอำนาจอยู่งั้นนะถ้าไม่ใช้อํานาจเขาก็ไม่เอาขอภาาอภัยที่อาตมาจะยกตัวอย่างใ้เช่นลักษณะของกองทัพลักษณะของทหารตํารวจผู้ที่เป็นตำนานเป็นตํารวจ ต้องมีอำนาจต้องเชื่อฟังผู้บริหารปกครองเป็นผู้หัวหน้า้าไม่เชื่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วคนที่เขาเป็นลูกน้องหนึ่งเขาไม่อยากจะให้ถูกบังคับหรอกแต่เขาต้องอยู่ในในวินยัยพอไม่อยู่ในวาระนะั้นมันก็หลบได้หลบหลบไม่ได้จำนวนมันก็ยอมถ้าไม่นะมันก็เลิกเพราะงั้นมันเป็นไม่ได้มันได้เพราะถูกบังคับ มันจะเป็นตัวเองที่จะต้องเป็นตามใจชอบตามใจศรัทธา otto, ตามใจที่เลื่อมใสมันไม่เป็นมันไม่เป็นหรอกมันถูกบังคับเท่านั้นเพราะหนึ่งบังคับอาตมาไม่เอาสองยิ่งล่อเอาอันนี้มาล่อเอาันี้มาหลอกเอาเรองลกอม า, าก็ได้คนโง่ามาเพราะคนที่ถูกหลอกมาก็โง่ทั้งนั้นแหะคนที่ได้ถูกหลอกมามาเพราะหลอกมาเพราะ พ, พ, พถูกล่อก็เป็นคนโง่ อาตมาว่าอาตมาไม่เอาอะอาตมาจะเอาคนที่ฉลาดอาตมาเคยใช้สานวนว่าอาตมานี่มันไม่เก่งหลอกได้แต่คนฉลาดคนงงอาตมาหลอกไม่ได้อาตมาเคยพูดมานานแล้วก็พูดอีกทบทวนใครเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอะนี่ไหมได้ยินมาทั้งนั้นอาตมาพูดอาตมาเนี่ยมันเกิดมาชาตินี้มันไม่มันไม่ไ ม, มันไม่ไม มันมันไม่ไม่เก่งอะ่ะไม่เหมือนกับคนที่เขาสามารถหลอกคนโง่ได้เยอะอัตมาเนี่ยหลอกได้แต่คนฉลาดเลยมาน้อยมีน้อยหลอกคนโง่ไม่เป็นหลอกคนโง่ไม่สําเร็จหลอกได้แต่คนฉลาดเพราะฉะนั้นคุณจะใช้คําว่าหลอกก็ตามคือพูดบอกสอนได้แต่คนฉลาดคนโง่ายากมาตามอัตมายากพูดนิดนึงก็เหมือนกับคุยตัวเอาละตัด ที่จะคุยตัวต่อไปไม่ต้องไปคุยตัวเองอะอทีนี้มาเข้าเรื่องของหมวดที่สมของราชธรรมอโกทะอวิหิงสาขันตินี่หมวดที่สมหมวดที่หนึ่งคือทวนทานสองศีน ส, สาปริจาคะหมวดที่สองสี่ห้าหก สอาชวะสื่อสัตว์ความซื่อตรง 5. ก็มัทวะนความอ่อนโยนความสุภาพอันที่ 6. ตะปะหรือตบะบะเป็นไทยก็ตบะบะหรือตะปะทีนี้อันที่ 7. ่อากโธทะ อัตอมาว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งและเป็นเรื่องประเสริฐและเป็นเรื่องสบายคนที่ไม่โกรธแล้วนี่จะเห็นความวิเศษของทางจิตปัญญายังไงยังไงเราก็ไม่โกรธโอ้ยมันสบายจิตเราไม่โกรธเลยใครจะดา่าใครจะทำร้ายใครจะอะไรก็แล้วแต่เถอะตามประสาของโลกโลกนี่แต่เผื่อว่าถูกกระทบสัมผัสแบบนี้มันก็ไม่ชอบใจอ่ามันก็จะโกรธจะอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ได้ดังใจ ก็โกรธนี่นะพอลดได้แล้วเนี่ยโอ้มันไม่ต้องไม่ได้ดังใจก็ไม่ต้องหึดฮอะไรไม่ต้องอะไรเฉยๆว่างๆหรือใจะมา ท, าทายยําลายทําลายยังไงก็ไม่โกรธ ถ, ถึงขั้นเจ็บปวดทรมานยังไงก็เออเถอะเขาจะด่าจะว่า ย, ยัางไงก็ไม่โกรธเนี่ยมันสบายสบายอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้แต่พูดความจริงที่อาตมาว่าอาตมารู้สึกเพราะว่าอาตมาเองอาตมาว่าอาตมาไม่ได้โกรธ ไม่โกรธแล้วกระทบสะพานแล้วเราก็จะไม่โกรธเลยถ้ามันโกรธเราเห็นเลยว่าโอ้โหรอดีดหนึ่งกัมันมันร้อนร้อนแล้วมันก็ไม่ไม่มันไม่โล่งไม่โปร่งไม่ใสอะไรหรอกมันไม่เกาตาเลยเพราะฉถ้าเราไม่โกรธไม่มีอาการแม่เล็กแม่น้อยวงว่า ง, างสบายโปรง่ปรงๆใครจะว่างก็ ร, รับทรบาบใครจะมากระทบยังไงก็รู้ว่าโอ้คนนี้กระทบเราแรงทางกายกรรมคนนี้กระทบเราแรงทางวัตถิกรรมแรงเนาะนอกจากแรงแล้วยัง หยาบด้วยต่ำๆด้วยอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็รู้ความจริงนั้นชัดๆอ่าเออคนนี้เป็นอย่างงี้นะเท่านั้นเองเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็ว่างก็เฉยเมื่อเราไม่มีรีแอคชั่นแอคชั่นอะไรก็ตามแต่เถอะสิ่งที่มากระแทกเราปังด้วยแรงแล้วเราก็ไม่มีแรงตอบเลยไม่มีแรงที่จะดันตอบ A อคชั่ uh, ไม่มีรีแอคชั่ทุกอย่างก็สงบนิ่งเหมือนคำภาษาจำนวนว่าง่ายๆตบมือข้างเดียวนี่มันอีกข้างหนึ่งนะแต่อัตามาแต่เบาๆทำยังไงก็เอาไม่ม่กะเดมันไม่มีเสียงมันไม่มีอะไรเกิดผลมันไม่มีอะไรกระทบอ่า uh. ถ้าพวกนักรู้จะบอกว่ากระทบยังไงมันก็ดันอากาศอากา ศ, อากาศก็ไปกระทบรู้มากพวกรู้มาก น, นนะเนีเรายกตัวอย่างแต่ ง, ง่ายตื่นตื่นกับพวกรู้มากก็ต่อไปอีกก็แล้วแต่เขาเถอะแต่มันไม่ดังทำให้มีเสียงอะไรเกิดตัวมือข้างเดียวไม่ดังนี่แหละแอคชั่นไม่มีเรียกชั่นทุกอย่างก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นงานงานนี้เราจะไม่โกรธเราจะไม่มีแรงกระเพิ่ม เมื่อถูกกระแทกเมื่อถูกกระทบเมื่อถูกสัมผัสตั้งใจไว้ถ้าจะถึงขั้นเราจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็จะนิ่งพระพุทธเจ้าสอนเราว่าถ้าเขามาดา่าก็ดีก็เขามามาทำร้ายร่างกายถ้าเขามาทาร้ายร่างกายเจ็บปวดดีกว่าเขามาตัดแขนตัดขาถ้าเขามาตัดแขนตัดขาดี เขาไม่ฆ่าเขาไม่เอาชีวิตเราถ้าเขามาเอาชีวิตเราดีที่เราไม่ต้องฆ่าตัวตายเขามาฆ่าให้มันต้องคิดอย่างนี้คุณเคยตายไม่ขอถามหน่อยเถอะในในในัดตรสงสารมานี่แต่ละคนเชื่อแม้ว่าเคยตายมาแล้ว ถ้าเราเข้าใจศาสนาพูดคือการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารนี้มากมายยาวนานนับไม่ถ้วนเพราะันการเคยตายแล้วจะตายอีกสักครั้งหนึ่งมันจะมีปัญหาอะไรตายอายุน้อยอายุมากก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราตายในขณะที่เราได้บาเพ็ญไม่โกรธแล้วก็ขันติอดทนได้ถึงขั้นไม่ ไม่ตอบตอบไม่ทำร้ายตอบใครทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายตอบนะไม่แม้จะถึงตายก็ยอมมีความอดทนพอไม่โกรธและไม่เบียดเบียนเขาตอบอวิหิงสาไม่เบียดเบียนเขาตอบเขาเบียดเบียนเราได้เรายอมแพ้ยอมรับ น, น้ำหนักอันนี้แหละต้องยืนยันพิสูจน์ดู นีโพธิสัตพาโพธิสัตพาฝึกนะจะไหวไหมเนี่ยทำเป็นอวดเก่งไม่ต้องบอกก็ได้เจ้าหน้าที่เขามีดูแลเหตการนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตาดีทุกคนเขาไม่เอาเจ้าหน้าที่ตาบอดมาทําแล้วก็ไม่เอาเจ้าหน้าที่หูหนวกด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการตามีหูมีเขามีจริง เชื่อไหมล่ะเออไมคุณจำ น, นวนโดยขงังของจริงเพราะเราไม่ต้องไปจัดการหรอกเราทำของเราให้นิ่งให้สงบให้สงบนิ่งเบิกบานราเริงนิ่งคือทำหน้าอย่าไปทำนาดพรนิ่งกโกรธมันก็พฤตภาวะตอบอ้าวจริงจริงกิริยาของคนแล้วก็อย่าไปยิ้มเย้ยอีกแม่พอเขาทำมาเ้าก็เลยยิ้มเย้ย เดียกก็มีภาวะตอบอีกก็ธรรมดานิ่งเบิกบานเฉ ย, ยๆยิ้มในหน้าหรือว่าอยู่พอดีๆไม่ให้มันหน้าบูดหน้าเบี้ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้น น, นี่เป็นนัยยะที่สอนที่บอกให้พวกเราได้ฝึกตนจะแสดงกายกรรมหรือว่าจะทํากายกรรมวจีกรรมโนโมกรรมอิรียบทอย่างไร น, นี่ก็สอนผู้นักรบทั้งหลายที่จะออกสู่สนาม ปฏิบัติเนีนักปฏิบัติทั้งหลายที่จะออกสู่สนามปฏิบัติไม่เอาคําว่านักรบมันไม่ดูมันมันดีไม่ดี น, ดนะมันคำว่าไม่โกรธหยับหยาบตื้นตื้นอาตมาไม่อธิบายแล้วล่ะนะเพราะหยับหยาบตื้นๆืนพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วโกรธหยับหยาอะไรจะไรนี่มันก็อย่างงั้นแหละเพราะงั้นก็อธิบายในลึกให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเผื่ว่าเราไม่โกรธนั่นน่ะมันเป็นสุดยอดแห่งคนที่มีความสุข สุดยอดในความมีความสุขไม่โลภก็มีความสุขไม่โลภไม่โกรธไม่โกรธไม่โ ก, โกนนรธไ ม, ม, ม่นกรธไม่โกรธไม่โกรธไั่โกรธม่โกรธมโกรธไม่โกรธไม่โกรธไมโกรธไม่โกรธไม่โกนินนพม่โปรมังกุขัมนโกรานม่ น, น, น, นกรธไม่โกรธม่โกรธ่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไ่โกรไม่โ ก, กรธไม่โกรธไม่โกรธไเ่โกรายม่โกรธไม่โกรธม่โกไม่กรธม่โกรธไม่โรธไม่โกรธไม่รม่โรธไม่โกรไม่กรมโรธโกรธรโกรธ คนโกรธไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจะต้องไปยั่วยุกดดันให้เขาโกรธ อ, อันนี้มันไม่เกิดประโยชน์หรอกมิเตจะเกิดความรุนแรงแต่มันเป็นแทคกติกมันเป็นกลาวิธีที่เขาจะไปยั่วให้เขาโกรธแล้วเขาก็แสดงความโกรธออกมาคนแสดงความโกรธเสียเห็นไหมนี่นเป็นกลวิธีเท่านั้นซึ่งเราไม่จำเป็นหรอกเราจริงใจแล้วก็สงบไปอย่างนี้แหละ ไม่รู้ว่าไม่ยวนไม่อะไรไปแล้วก็ไปพูดกันด้วยภาษาดีๆามานี้เพื่ออะไรจะมีอะไรจะไดก็ว่ากันไปทนเท่าที่เป็นไปแต่คนที่ยังเข้าใจอยู่ว่าต้องสร้างความโกรธอันนี้อาตมาว่ายังสงบไม่พอและอาตมาก็เชื่อว่าในกลุ่มพันธมิตรนี้จะมีคนชนิดนั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจรึงจะเป็นน้ำหนักของหมูพ่พันธมิตรด้วยกันว่าเราจะเป็นมวลที่จะ โน้มนำเหนียวนำให้มาสู่ยาหนายาเลยยาเลยโดยไม่ต้องพูดผู้พูดก็ดจะพูดเองทูใ ด, ดที่เขาจะพอพูดได้พวกเราไม่ต้องไปพูดหรอกเรานิ่งๆว่าเฉยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของสังคมเท่าเมื่อออก อ, ออกสู่ภาวะภาวะที่มันมีอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มันก็จะเกิดทุกอย่างเลยกายกรรมก็มีผล วจีกรรมก็มีผลมโนกรรมเป็นตัวประธานเรารู้แล้วเราก็มีกําลังของจิตที่จะไม่ให้มันทําอย่างนี้ไม่ให้มันแสดงออกอย่างลีลาทางกโกรธไม่ให้ลีลาทางเบียดเบียนวิหิงสาเ บ, บียดเบียนไม่ให้มีการเบียดเบียนไม่ให้มีการไปกระทบให้เขาเกิดเดือดร้อนอะไ ร, ะไรต่างนนๆนานาโดยพยายามถ้าแม้ว่าเรายังไม่ไหวก็ต้องอดทน ต้องขันติต้องกดข่มต้องกดข่มต้องพยายามอย่าให้มันเกิดไว้ต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญารู้อารมณ์รู้กิริยากายวาจาโดยเฉพาะกายวาจาไม่ออกแล้วใจก็ต้องลางลดใจของนี่เป็นการปฏิบัติของนักปฏิบัติชัดๆเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะเรามาทำงานทุกวันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเราได้ปฏิบัติทำทุกตอนทุกช่วงทุก บทบาทที่มันจะมันจะเคลื่อนไปอะไรตใรดไปอันไหนที่เห็นว่าเอออนี่ไม่สมควรแล้วเราไม่ร่วมเรามก็จะมีการตัดสินมีการวินิจฉัยโดยหมู่โ ด, ย, ดยกลุ่มของเราเองอันไหนที่บอกว่าอ้าเอ า, เอานี้เอาเถอะร่วมมูอร่วมกันตัดสินก็ทํากันเป็นหมู่เป็นมวลพลังของขอบวนการกลุ่มพลังของขอบวนการกลุ่มนี้มีพลังมีน้ําหนักมีน้ําหนักวิเศษซึ่งจะสามารถพิสูจน์ได้ อย่างสำคัญที่เราทำในเป็นสังคมศาสตร์อย่างลึกซึ้งเป็นสังคมศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่ใช้ธรรมะเป็นตัวแก่ในการให้เกิดผลเป็นตัวนำเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้ในการที่จะยังอยู่กับสังคมเรื่อยๆไปเพราะงั้นการปฏิบัติธรรม ของพระพุทธเจ้าจึงกว้างขวางพิสดารอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกเหตุการณ์เหตุการณ์ขณะนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็คงเข้าใจกันดีแล้วว่าเราจะทําอย่างไรอาตมาก็อธิบายไปแล้วคร่าวเมื่อเราสามารถที่จะได้ฝึกตนด้วยประโยชน์ตนด้วยประโยชน์สังคมด้วยสังคมจะไม่ร้อนแรงไม่อะไรต่อไปในอนาคตคนจะศึกษา อันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อันหนึง่งเรามาปฏิบัติอย่างนี้มาประพฤติอย่างเงี้ยเขาบันทึกเดี๋ยวนี้ยังมีเครื่องบันทึกเยอะเลยถ่ายเป็นวิดีโอเป็นลงดิสอะไรเอาไวตา้ต่างๆนาดาดง D ีวีดซอะไรไมีหมดบันทึกไว้หมดนะ่ะไม่หมดก็เยอะอ่าไม่หมดก็เยอะบันทึกไว้แม้เขายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะยังบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เสร็จแล้วต่อไปในอนาคตนี่มือความรู้ของมนุษย์ความรู้ของปัญญาชนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาจะศึกษาว่าโอ้คนที่มีแนวคิดคนที่มีหลักปฏิบัติประพฤติและคนที่ทำได้ถึงอย่างที่เราทำถ้านเอาไปพาเป็นไปนี่มันดีหรือไม่ดี เขาจะอ่านเขาจะศึกษาโอ้อยางนี้นะเราสังเกตที่สังคมของพวกเราสังคมของพวกเราเนี่ยถ้าบอกว่าคิดโกรธ mm hmm. ก็เผามันเบาบางลงมาตั้งเยอะแล้วเพราะการจะแสดงความโกรธทางกายถึงขั้นพอโกรธขึ้นมาแล้วยังไม่อยู่เลยพัวพันมือไปไม้ไปนะอะไรต่างๆนานา ในสังมกลุ่มของเรามันไม่เกิดมันไม่มีมันมีการสังวรสัมรวมมันมีการมันยังมันยังใจมันอาจจะยังขึ้นบ้างอะไรบ้างก็ระงับได้ไม่ละเมิดไม่ล่วงล้ำออกไปทางกายกรรมวจิกรรมเพราะมีประธานที่จิตสามารถมีสติสัพพัญญาปัญญาและมีพลังไม่ให้กายกรรมอันไม่สมควรวิจีกรรมอันไม่สมควรที่มันหยาบมันแรงมันมันมัน มันมีหิงสามันไปเทียบเบียดเบียนไปกระทบกระแทกคนอื่นเห็นได้บะสังคมของพวกเราเนี่ยไม่มีสิบปี20ปี30ปีขึ้นมาไปกลุ่มอยู่กันมาไม่มีเรื่องคดีอะไรอะไรพวกนี้ในเรื่องเกาะเกิดเพราะมาแต่ความโกรธมาแต่ความไม่ชอบใจกันแล้วก็ทะเลาะวิวาทรุนแรงแก่กันละกันมันไม่เกิด นี่คือผลที่พิสูจน์ยืนยันได้มาจากคุณไปเรียนมาจากมหาวิทยาลัยจากประเทศนอกที่มหาวิทยาลัยเด่นๆ ด, ดังๆจากประเทศนอกหรือว่าเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจบปริญญาโทรปริญญาเอกมาคุณจึงไม่โกรธเหรอใช่ไหมไม่ใช่เลย ก็เรียนมาจากวิทยาใหญของมุสเจ้าที่ไม่ต้องเสียตังนี่แหละไม่ต้องลำบากยากเย็นไม่ต้องไปทำพิธีการลงทะเบียนจนมากมายหนักหนาสาหัสอะไรแล้วเราก็เรียนได้จริงเป็นผลในชีวิตจิตวิญญาณพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงขอถามคำหนึ่งไม่ต้องอายนะ ใครเคยจริงตอบจริงนะใครเคยตบคนมั่งยกมือสิตบมาแล้วเคยตบมันเกิดอัดลมซัดเลยเอาใครเคยบ้างยกสิไม่น้อยใครเคยถีบคนมั่งยกมือสิคงจะเป็นผู้ชายเลยเยอะผู้หญิงคงจะมันยากมั น, นุ่งผาุ้งอะเนาะ แต่มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะถีบมันปจิงก็ถีบได้อ็น้อยแต่เมื่อเรามาศึกษามาปฏิบัติตนแล้วหยุดเราไม่ได้ตบคนมาแล้วตั้ง10ปี20บปีบางคนมาอยู่ถึง30ปีไม่ได้ตบคนมาอีกเลยตั้ง30สปีโอ้โหชัยชนะแค่นี้อาตมาว่าถือว่าเป็นชัยชนะของมนุษยชาติ นี่คือเรื่องของอโกทะอะโกท ะ, ะเป็นชัยชนะวิเศษและคิดว่าจะตบคนอีกต่อไปไหยคนที่เคยตบมาแล้วน่ะจะตบอีกต่อไปไหมเ ช, ชื่อใจตัวเองไหมว่าจะไม่ตบใครอีกต่อไปคนแต่แค่จะไม่ตบคนเนี่ยก็หวังได้ว่าคนพวกนี้ไม่ไปฆ่าคนหรอกยุงก็ไม่ตบ แล้วมันจะไปฆ่าคนอะไรเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นมัทวะจิตมันจะอ่อนโยนจิตมันจะสุภาพจิตมันจะไม่รุนแรงจิตมันจะเป็นมัทวะและจิตมันก็จะเป็นอหิงสาอาวิหิงสาหิงสาหรือวิหิงสานี่คือวายอเลนสรุนแรงอ่าหิงสาหรืออ่าหิงสานี่แหละ ถ้าวิหิงสาก็ไม่รุนแรงวิหิงสาก็รุนแรงยิ่งขึ้นก็ได้ถ้าอวิหิงสาเลยนี่หมดไม่รุนแรงไม่มีความรุนแรงเลย non e n c i l e n c ไม่รุนแรงแนละ้วเพราะฉะในความรุนแรงที่เราเคยไม่ได้ศึกษามามันก็ผลักดันให้เรารุนแรงไปได้ตามอารมณ์ตามกิเลสที่มันบังคับ แต่พอเรามาเรียนรู้แล้วก็ลดกิเลสลดกิเลสแล้วกระทั่งมีปัญญารู้ว่าโอ้มันพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไม่ประเสริฐอะไรจริงๆเราก็มาฝึกจนกระทั่งกิเลสก็อ่อนตัวกิเลสก็ลดลงลดลงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีกิเลสตัวนั้นหรือมันไม่มีกิเลสแรงนั้นอีกแล้วมันก็มีอยู่ในใจมันไม่ชอบใจเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆสิ่งเหล่านี้ก็เหลือแต่แค่ปฏิฆะไม่มีโกทะอะโกทะแล้วก็ไม่มีปณะนะ อุปนาหะไม่มีการผูกผูกโกรธต่อไปอีกเพราะฉนั้นพยาบาทโกธาอุปนาห์ลดลงมาเหลือแต่ปฏิฆาฐานของอสกิทาคามีก็มาลดปฏิฆะมาลดกามราคะที่เหลือมันไม่จัดจ้านรุนแรงเหมือนเก่าแล้วการมราคะก็มารุนแรงเป็นโซเป็นสกิทาคามีไม่ใช่เป็นโสดาบันแล้ว จะเลื่อนฐานขึ้นเป็นสกิทาคามีก็มาลดสายโกทะก็คือเหลือแค่ปฏิฆะสายกามราคะก็ลดลงมาเหลือกามราคะในระดับหนึ่งเช่นพอดีเดียวเดียวหรือยังมีกามในส่วนเพศก็ตามในส่วนรูปรถกลิ่นเสียงสะัดก็ตามแต่และบุคคลก็คงยากพอเข้าใจแล้วมันยังติด จ, จัดจ้านอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ลดลงลดลงอีก จนกว่าจะหมดกามราคะหมดปฏิฆะก็ขึ้นเป็นอนนาคามีเพราะเราจะรู้ตัวเราเองว่าโอ้นี่กามราคะเรานี่เบาบางลงไปเยอะแล้วอตมาได้อธิบายถึงัลักษณะของกามราคะในลักษณะที่เข้าขีดอนนาคามีเหลือเป็นรูปราคะอรูปราคะก็คือมันมีเราพออ่านออกเมื่อมันมีรูปราคะ แต่รูปราคานี่ไม่ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมอนาคามีไม่มีราคะออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมีอยู่ข้างในที่เรารู้ง่ายรูปราคะก็คืออาการทางราคะหรือกรรมมันเกิดอยู่ในใจเราแต่เรารู้ได้ง่ายมันมีเหมือนรูปที่รู้ได้เป็นลีลาที่จัดเป็นลีลาที่สัมผัสได้ในธรรมารมในใจ เพราะยังไม่ไม่มีแล้วอนาคามีไม่ไม่ฮิริโตตปะหรือว่าความเป็นปัญญาเป็นสมาญานเพียงพอว่ามันไม่ได้สุขได้ทุกข์อะไรเพราะอารมณ์ของคนที่เป็นอนาคามีจริงเนี่ยถ้ารูป ร, ราคะของเรายังมีเนี่ยเราไม่สุขมันทุกข์มันรังเกียจตัวเองมันกินแหนงตัวเองมันอืทําไมมันยังไม่หมดสักทีว่ามันไม่จ ะ, จะไม่สแสวงหา เออมันมีก็ไปบําบอร์บัตมันจะไม่มีเลยมันมีแต่ทุกเรื่องเดียวมันมีแต่ถล่มตนเองลูกเดียวนี่คืออารมณ์ของอนาคามีภูมิพอมันเกิดราคะมันเป็นอาการราคะที่เรารู้ของเราในใจมันจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจามันฮิริพอโอตปะพอมันมีฮิริมีโอตปาจริงมันมีเทวธรรมที่แท้จริงมันเป็นเทวดาขนาดนั้นแล้วมันไม่ แสดงความน่าเกลียดเป็นสัตว์นรกอะไรออกมาให้คนเห็นหรอกมันหิวมากคนตะปะมันกลัวกลัวคนจะรู้คนจะเห็นดีไม่ดียะโอ้โซ่อนขนาดหนักไม่ให้ถ้าใครเห็นแล้วโอ้ห่าเกลียดไม่ไหวมันก็จะมีอัตตามานะอีกชนิดหนึ่งเข้าไปซ้อนซ้อนช่วยอ่าเรียกว่าอัตตาช่วยไม่ให้เกิดกิเลสกรรมอัตตานี้จะช่วยไม่ให้เกิดกิเลสกรรมบราคะแค่รูปราคะ ฟังเข้าใจไหมเนี่ยอัตตามันจะช่วยไม่ให้เกิดการมันนี่เพราะฉะนั้นเราต้องลดการลดอัตราลดการลดอัตราลดการลดอัตราอย่างเงี้ยไปสลับกันไปเรื่อยๆก็จะลดความตรงสองข้างกามกับอัตราลงมาจนกระทั่งหมดการหมดอัตราอัตราจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนกามการหมดก่อนอัตราเนีเพราะในลักษณะของคนที่สูงขึ้นไปถึงขั้นราคะกามราคะก็ดี หรือความโกรธจะลดน้อยก่อนจะลดหมดก่อนความโกรธหรือปฏิกะจะหมดก่อนลักษณะกามหรือราคาะราคะคือสิ่งที่ต้องการมาเสพและบรรสุขสกธุธาคือส่วนที่ต้องการทาลายโกธะหรือโทสะมันสิ่งที่เป็น ลิทธงต้องการทำลายต้องการที่จะก่อความรุนแรงหรือก่อความกระทบเบียดเบียนวิหิงสาหิงสาหิงสาหรือวิหิงสาจะก่อการกระทบเบียดเบียนเพราะในเรื่องของอาการทางจิตพวกนี้ผู้ที่มีวิปัสสนาญาณผู้ดีมีญาทัศนวิเศษหรือมีวิชาของพระพุทธเจ้าก็คือเราเองสามารถอ่านตัวเราออก เพราะจะเห็นได้ว่าคนเรานี่นะถ้าไม่มีวิชาแปดหรือไม่มีวิชาเก้าขณะเป็นฌานก็ไม่รู้จักวิชาทําจิตไม่เป็นอา่านอารมณ์แยกแยะจิตแยกแยะกิเลสไม่ออกคนนั้นไม่มีเป็นเป็นฌานก็ฌานไม่รู้เรื่องถ้าคุณมีปัญญาในฌานคุณก็อ่านพวกนี้ออกแล้วคุณก็ลางลดไปได้เรื่อยๆเป็นก็ตัว าญาณหรือวิชาพระเด็ก็คือวิปัสน า, าญาณนั่นะาญาณที่รู้ที่เห็นอย่างยิ่งเกินสามัญเพราะฉะนั้นคนที่รู้จิตเจตสิกรู้ปรมัต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นคนที่เหนือชั้นของคนลกโลกแล้วคนลกโลกไม่รู้เท่าทันไม่รู้จิตรู้ใจอะไรไม่รู้จิตเจตสิกอะไรของตัวเองหรอกมันจะเกิดยังไงยังไงมันจะปรุงแต่งหยาบช้าอะไรจนกระทั่งบรรดานในเกิดกา ย, ยกรรมบัญญัตกรรมมาแรงแล้วอะไรเนี่มันก็จับไม่ทันจับไม่รู้เรื่องอ่านจิตตัวเองไม่เป็น อ่านจิตตัวเองไม่ทันวิจัยจิตปัญญาตัวเองเจตสิกตัวเองไม่ออกแล้วเขาจะได้แก้เขาจะได้ไปจัดการกับไอตัวผีรายหรือเสือรายในจิตตรงเนี่ยมันจะไปแก้ตรงไหนแก้ไม่ถูกตัวแก้อย่างเดาๆอย่างนั่งสมาธิกดคมไปแล้วย่งไม่มีสัมผัสอะไรเลยแล้วมันก็จะไปล่อให้มันเกิดได้ยังไงแต่ของเรานี่เกิดนี่ออกสู่สนามปฏิบัตินี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหมีตัวล่อเยอะเลยนะเนี่ย เรามีโจดมหาศาลเลยขนาดเดินมินทธบาร์ยังบอกใครได้รับอะไรบ้างะเดินตอนเดินมินทธบารเสียง ข, ง, ขงข้างทางอะ่ะ <c oughs> เขาก็ยังมีมาให้อย่างงั้นอย่างนี้เนะมื่อวานนี้ก็มีคนแวะกล้องถ่ายกล้องโทรทัศน์ใหญ่เลยนะเราก็นึกว่ามันจะมาถ่ายข่าวพอจะขึ้นรถอใส่ซะ อวัยวะพูดคำอวัยวะนะโอ้ไม่ไหวเลยนะพูดสลายคำก่อนขึ้นรถไปนะแล้วแต่เขาเขากว่ากันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นโจทย์ที่แท้จริงเราไม่เอาเอาเงินไปจ้างร้อยล้านสองร้อยล้านหารอยล้านจ้างให้เามาทำมันไม่ใช่หรอกมันไม่เหมือนทำยังไงก็ไม่ได้นัน่นเป็นเรื่องจริง ว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ทันระวังตัวเราก็ไม่รู้ว่าโจทย์มันจะมายังไงเมื่อไรอะไ ร, ะไรแต่เสร็จแล้วกระทบสัมผัสเออใจเรานิ่งเราขึ้นไหมเรากระทบสัมผัสแล้วพุถุสสะโลกาธรรมหิจิตตังยัตสักกมปติไม่มิหนะไม่ก็ไม่มีน ะ, ะ ไ, มไม่มีไ ม, มไม่นะก ร, รมปรติกรรมปติวันไหวเกิดขึ้นนั่นเราก็ต้องศึกษาความจรงิงต้องศึกษาพวกนี้มันจะไปนั่งเดาเอา คะแนนเอาลืด น, นั่งอยู่ในธรรมแล้วก็ น, นึกเอาไปสะกดจิตไม่รู้เรื่องอะไรไปมันไม่ใช่สัจจะที่สมบูรณ์นะอันนี้สัจจะสมบูรณ์เรารู้ว่าเออเราถึงขั้นนี้แล้วนอ น, นี่กระทบกระแทกอย่างนี้แต่ก่อนนี้โอ้ถ้ายอย่างนี้เลยเหรอได้ได้ถ้ายอย่างนี้ได้นะได้เรื่องถ้ายอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเราได้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้เหรอ อ, อไม่เป็นไ ร, รแล้วไป คุณก็เป็นของคุณเราไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวกับคุณจะมายัวาย่วมายวนมากระแทกกระทุ่งอะไรก็มีหลายล็อกไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งจริงที่จะได้ทดสอบเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะไม่ใช่ศาสนางมงายไม่ใช่ศาสนาที่เดาเอาขาดคะเนนเอาประเมินประมาณเอาอนุมานเอาไม่ใช่มันเป็นของจริงยิ่งผ่านสนามปฏิบัติที่มีโจทย์ที่ชัดที่เจน และไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปเลื่อกไม่ต้องไปสร้างมากมายแล้วมันจะเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของวัตถสงสารหรือของวิบากเนี่ยมันก็เป็นไปข้าะมันที่เราจะมาเนี่ยที่พูดยกตัวอย่างง่ายๆไม่ได้รู้ตัวไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาเป็นเนี่ยเอา้าอะไรแล้วก็มาเป็นนึกขนาด น, นี้ก็ไม่นึกว่าโอ้โหขนาด น, นี้จะยเลยถ้ารู้แต่ก่อนไม่มาแล้วนะเนี่ยแต่มันมาซะแล้วตกกระไดพลอยโจรซะแล้วว้า ตั้งใจสู้แล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นก็บอกเออไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าผู้ใดที่วางได้ปล่อยได้อะไรได้ก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยก็เรื่องธรรมชาติมันปกติไม่มีอะไรหนักหนาอะไรเลยนะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยไม่ได้เหนื่อยมากอะไรหรอกนะถึงเวลานอนแล้วก็นอนแล้วก็พักอยู่นี้แต่มันก็ไม่ปกติต่อที่เราได้ทําอะไรเต็มเต็มที่นะเราได้พัก เต็มที่เราได้เพียรเต็มที่แต่ตอนนี้เราค่อนข้างจะเพียรมากกว่าพักหน่อยหนึ่งมันก็ธรรมดามันก็ไม่สมดุลเท่าไหร่แต่เราก็อดทนไปเถอะมันคิดว่ามันก็คงไม่ถึงกับหัวภาพทำให้เราตายหรอกอยังไม่ถึงขั้นอย่างนั้นหรอกแม้พลังเราก็พอสู้อยู่ได้นะเพราะนั้นโกธาหรือไม่โกทะเนี่ยมันจึงมีร า, ายละเอียดที่ลึกซึ้งเข้าไปอย่างที่อาตมาว่านี่อาตมาก็ยิบ สิ่งที่เราผ่านมาด้วยแล้วอะไรแต่ อ, อะไรบางๆมยายกตัวอย่างประกอบอธิบายให้เห็นว่าเมื่อสังคมเราลดสิ่งที่หยาบคายทั้งด้านโทสะโกทะที่หยาบหยาบออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าอางสังคมของพวกเรามันไม่มีโกทะไม่มีโทสะอะไรที่จกนกระทั่งขั้นอาชญากรรมขั้นที่จะต้องถึงขั้น ต้องลงโทษอะไรกันขนาดหนักเพราะฉะนั้นความสงบของสังคมที่มีอย่างนี้มันก็ยืนยันแล้วพิสูจน์แล้วเราจะเป็นมวลที่จะต้องให้ความรู้และก็เป็นการพิสูจน์ความจริงมักนี่ระบูกลุ่งว่าเป็นอย่างนี้แหละมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเจือจานไม่ใช่แต่โกหกโลภเราก็น้อยแล้วก็เจือจานเขายิงย่งจะมาทราบความจริงว่าพวกเราเนี่ยโอ้แต่ละคนแต่คนนี้ร่ำรวยหรือจน ถ้าคนรวยมาถ้าคนร่ำรวยมารวมกันนี่นะนี่เนาะมัเป็นร้อยเป็นพันนี่นะคนรวยมาทําเนี่ยเขาไม่เขาไม่ประหลาดอะไรหรอกเฮ้ยมันรวยมันก็ทําได้ทีมันจะมานั่งแจกไปอีกสองเดือนหเดือน8เดือนเมื่อทำได้นี่มันก็ไม่ค่อยมีกันนะนะจนจนนะนะเออแล้วมันมานั่งแจกอยู่ได้ยังไงแล้วทําไมมันไม่หวงแหนทาไมมันมุกมิบเอามาของตัวเองมั่งนะเขาว่าแจกเขามาทําบุญเขาเอามาบริจาคใส่พกใส่ห่อไป แต่และคนก็มิบใส่พกใส่ห่อไว้เป็นแบบมันมีการภาวะซับซ้อนอะ่ะพอกีดโกงในทีก็เราก็ไม่ขีดโกงเอามาก็มาแจกกันไปนี่ก็เราพัดออกไปต่างๆนะ น, นะคนที่เขาเอามาทําบุญเขาก็จะมีดวงตาเขาก็จะเห็นเออพวกนี้ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไม่มีการมุกมิบไม่มีการอมใช้สํานวนโลกๆนะไม่ซับซ้อนเอามาแจกก็แจกต่อเป็นนาบุญ เอาอะไรมาหวานลงก็งอกออกไปเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรยกักย้ายเป็นมดขนไปไว่ายรางของเราพวกมดแอบขนก็ไปว่ายรังของเร า, ม ไ, ไ, เราไม่มีอะไรนี้เป็นต้นความบริสุทธิ์สะอาดพวกนี้ความซื่อตรงอาชวะพวกนี้ความซื่อตรงความสะอาดพวกนี้รูนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของราชธรรมที่จะไม่เกิดอะไรที่จะซับซ้อนย้อนแยงมีแต่สัต ท, ทุกอย่างมันจะชัดเจนทุกอย่างมันจะจริงจังทุกอย่างมันจะบริสุทธิ์สะอาดเพราะที่เราทำเนี่ยทุกอย่างที่อาตมาพยายามอธิบายประกอบจะเห็นได้เพราะนั้นยัเหลือแต่ว่าพกเราระมัดระวังในกิริยามารยาทที่จะปฏิสันฐานกันจะติดต้อนรับแขกะจะทำอย่างไรได้เหมาะสมอย่างไรจะดูอะไรอะไร เพราะฉะนั้นมันจะได้ลดบางคนหวงแหนขี้เหนียวคนนี้ไม่หนกักรักไม่นาชอบไม่อยากให้อะไรนี่เป็นต้นแล้วก็อ่านะอดใจหน่อยตอนนี้มันมันสนามปฏิบัตินี่มันมีโจทย์ต่างๆมันไม่เหมือนเดิมนะก็เราจะสละอย่างน้อนอย่างนี้ได้ขลาดขนาดไหนสละมากไปเพิ่มขึ้นก็ลดกิเลสเราเอานะาขี้เนียวอย่าหวงแหนเลยให้เขาเถอะวางใจเถอะอะไรพวกนี้ย นี่เป็นภาษาเพราะเราก็จะลดไปทางราคะหรือโลภะลดไปทางโทสะโกตะเมื่อเราลดได้โทสะก็ลดราบโลภะราคะก็ลดการเบียดเบียนวิหิงสามันก็ลดมีแต่เราจะได้เกื้อกูลเขามันไม่เบียดเบียนเขาแต่ได้เกื้อกูลเขาได้ช่วยเหลือเขา อวิหิงสาเพราะฉะนั้นพที่จะมารับการช่วยเหลือได้มาขอความช่วยเหลือก็ลองดูว่าเราจะคนจนเนี่ยแหละจะมาเกื้อกูลเป็นตัวเกื้อกูลมันก็มีคนมาทั้งบริจาคของบริจาคเงินพอที่จะเข้ามาหมุนเวียนพอที่เขามาทำอะไรอะไรไปก็ทำไปเถอะดูีิว่าจะคุ้มไหมงานนี้เนี่ยเราจะต้องเสียต้องควักทุนเก่าต้องควักกระเป๋ามาอีกเท่าไหร่ ก็ลองดูความจนกระทั่งเราล้มละลายหรือเปล่าอาตมาว่าไม่ถึงหน้าดีไม่ดีจะเหลือเอาด้วยเหลือเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีกองกลางอยู่แล้วทุนที่เหลือนี่ก็เข้าไปเลยสถาบันบุญนิยมของเราในส่วนกลางของเราในกำลังจะตั้งอ า, อาคารก็กําลังจนจะเสร็จแล้วยังจนจะได้เปิดแล้วอาตมาก็เปรย์ไปกับทางพลังบุญว่า มาถามมึงกันว่าจะเปิดเมื่อไรดีอ่ามีนานี่มีนาก็าเป็นแล้วนะเมษาอดีตมาว่าเอานะาฉลองใหญ่เลยน้าเ0มิถุนายนปีนี้นี่จะฉลองกันหลายวันนะเดี๋ยวเปิดไดอารี่ดูทีอ่าปีนี้งานอาโศกรำลึกนี่มันเป็นการฉลอง72ปีที่จริงวันที่9ที่สิบนาฏบาลเิบสแล้วนะ มันขึ้นเจ็บแล้วนะมันเต็ม7จบสองตั้งแต่วันที่ห้าเจ็สี่วันที่สี่ก็เต็มแล้ววันที่ห้าก็เกิดหนึ่งวันละวันที่ห้ามิถุนาก็เป็น7จะเ็บขึ้นมาหนึ่งวันละเพราะงั้นเดือนเมษานี่ปีนี้เนี่ยมันมีวันหยุดเ้าให้หยุดโอ้โหเอมิถุนาเข้าไปแม่พูดเวิปราสัญญาวิปะราสจริงๆเลย จะพูดมิถุนาและพาไปพูดเมษายนยังไงวันที่9 10นี่เป็นวันที่เราเคยกำหนดแล้วก็ปีนี้เรากำหนดไว้ในปฏิทินคือวันที่ 19, 1 1ก1แต่ทีนี้รู้มาแล้วว่าเขาฉลองหยุดราชการวันที่ 11, 1 1เอ็อไออีกปีเนี้ยราชการหยุดต่อต่อจากวันอาทิตย์เพราะว่าวันที่ 9, ที่10พวกนี้เนี่ย เป็นวันฉลองของในหลวง60ครองราช60แล้วท่านครองราชวันที่9้ามิถุนายนถ้าครองราชวันที่เมิถุนายนแล้วที่นี้วันต่อมาวันที่1ิบสเป็นวันฉลองต่อเสร็จแล้วมันมาเจอวัน10วันเสาร์สิวันอาทิตย์เขาก็เลยอยู่วันที่สิบสองมให้อีกเราก็เลยจะมีวันหยุดนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ทางานราชการผู้อะไรอะไรก็ได้ร่วมต่ออีกเลย 9 10 11 12 13ฉลอง72ปีอาตมาปัสใต้ส่งไปตรงนี้เรียกว่าตีถัว่วตีถั่วรวมไปเลยเป็นห้าวันเพราะฉะนั้นคุณจะฉะลองพลังบุญเปิดสถาบันบุญนิยมเปิดฉลองไปห้าวันเลยเชิญเชิญเลยอาตมาว่าวางไปเลย จะวางโครงการจะมีอะไรอะไร ย, ยังไงก็เอาเลยมีอานาโมดิเวนตั้งแต่สติยสโศกมายาวมาจนถึงหน้าร้านมาถึงข้างหน้าปากทางนี่เชื่อมต่อกันเนี่ยให้เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมกิจกรรมวะกิจกรรมเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันทั้งถึงข้างหน้าถึงข้างหลังเลยดูซิว่ามันจะจัดอะไรได้อย่างไรก็ลองฝากไว้สําหรับพวกพวกเราที่จะดูจะจัดงานจัดการกัน ก็เป็นการฉลองอันนี้มันเป็นหนึ่งของยันยปิธีของมนุษย์โลกยันยปิธีมีผลมีผลทางกายกรรมวิจิกรรมโดยเฉพาะกระทบทางมนโนกรรมเกิดความกระทบทางมนโนกรรมเกิดการกระทบอย่างสร้างสารรหรืออย่างทำลายก็ได้แต่แต่เราพยายามที่จะสร้างองค์ประกอบอจัดองค์ประกอบเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้มันเกิด ทำให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ไปในทางเจริญนะซึ่งเราก็ทําำมาทุกที่ช่วงคิดเจรกันประกอบเรียกว่าองค์ประกอบศินก็ได้ composition องค์ประกอบในงานที่จะจัดยันยพิธีหรือพิธีการเนี่ยมัจะประกอบไปด้วยอะไรแต่อย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นสนะิ่งเหล่านี้เราเป็นมนุษยนะ์ซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์สังคมมนุษย์นี่เราจะต้องเป็นต้องมีนะไม่มีมันไม่ได้หรอก มันก็นี้ไปอยู่ป่าลูกเดียวซึ่งเป็นรัทธิของดุสีะจะเป็นยังไงใครจะตายยงไงก็มีอะไรไม่รู้เรื่องปิดหูปิดตาโดดเดียวอยู่ของเราคนเดียวของเราไปอันนั้นมันไม่ใช่ทิศทางพระพุทธเจา้าอาตมาก็บอกซ้ําบอกซากว่าท่านเองท่านเรียนรู้ท่านศึกษามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติสังคมแบบไหนแบบไหนแบบไหนแบบไหนก็ศึกษามาหมดมาอยู่กับสังคมก็ศึกษาผ่านมาแล้วมันง่าย พูดกันจริงๆนะอย่างฤาษีนะมันง่ายนี่ไปอยู่ป่าเขาหลีกตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็สะกดจิตดับไปดับไปดับไปหรือกุจะไปหัดวางวัดป่วอะไรก็แล้วแต่คนเดียวมันจะยากอะไรแล้วมันก็ทําตัวเองให้มันไม่เกิดอะไรที่จะเกิดเรื่องก็เรียกว่าสงบก็ได้แน่นอนมันก็สงบไม่เกิดเรื่องอะไรอเงียหยุดไม่ประทะอะไรไม่เอาอะไรก็ใครมันมือนก็หลวงพ่อเกษม ที่อะไรเขาเรียกอะไรหลวงพ่อเกษมอยู่อะไรอ่ะอะไรป่าชาอะไรอ่ะสุสานสุสานอะไรอะชื่อก็ไม่ชื่อสุสานไตลั ก, ก น, นั่นนี่นั่งแต่หลับตาใครไปก็เห็เจอที่ท่านนั่งหลับตายานี้ไม่พูดไม่จาอะไรแั่มาสงบ ใช่รูปธรรมมันใช่มันสงบมันเงียบมันเฉยมันเหมือนก้อนหินก้อนดินก้อนหนึ่งนะแล้วคนเข้าใจในในเบื้องต้นว่าโอ้ท่านสงบเหลือเกินท้าไม่พูดไม่จ้าไม่ว่าใครไม่กระทบกระเทือนอะไรใครมันก็ง่ายมันก็เข้าใจอะ่ะมันง่ายเป็นวิธีการง่ายซึ่สมุททเจ้าท่านไม่ได้เข้าใจตื้นตื้นแค่นั้นนอังลสีแนละ้วเราก็รู้แล้วถ้ากิศึกษามาอาตมาก็ศึกษาพวกเราศึกษาก็คงรู้ๆพอรู้รรๆกันเข้าใจแล้ว เราจะอยู่ท่ามกลางไฟร้อนอยู่ท่ามกลางสังคมที่เขาเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราก็สงบแล้วเราก็ช่วยเขาได้มีประโยชน์เขาได้จิตเราก็สงบจรงิจรงๆนิพพานนี่คือจิตสงบท่ามกลางกระแสร้อนอย่างที่ท่าพุทธทาท่าว่าเป็นน้ําแข็งกลางเตาหลอมเหล็กนี่ยังศัพทิฏฐุตระท่านาว่านั่นเป็นน้ําแข็งไปเป็นน้ําแข็งอยู่ในท่ามกลางก้อนน้ําแข็งแล้วมันก็จะไปร้อนอะไรเล้วมันก็เย็นจืดชืด เป็นน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วโลกเหนือมันจะมีร้อนอะไรเราได้ไหมแต่ก้อนน้าแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอย่างที่ท่านทัมพุต ธ, ธาท่านวานเนี่อันนี้แหละมันเป็นเรื่องพิสูจน์ชัดเจนว่าเราเย็นแท้แม้แต่ถ้าท่ามกลางความร้อนและเราก็มีประโยชน์กับคนที่คร้อนเรา่าให้สงบให้เย็นเหมือนกําลังกําลังมาทำเนี่ยนี่มันจะเกิดภาวะร้อนมันจะแรงมันจะรุนแรงมันจะอะไรเรามาช่วยตรงนี้นี่เป็นประเด็นที่เราพูด อ่ะมาพูดพูดพู ด, พดคนก็แมนักข่าวนักสื่อสารอะไรแล้วแต่หรือผู้รู้อะไรก็แล้วแต่มันทําไมไม่เก็ตตรงนี้ว่านี่มีแต่บอกว่าจะมาต่อสู้นี่จะทํำยังไงให้ทักษิณลงจะทำยัไงบอกเราไม่เก่งอะ่ะใจแต่ทักษิณลง เ, เ, ง เ, เนี่ย เ, เ, เ, เราไม่เก่งหรอกเราไม่ในเป็นนักรัฐศาสตร์เราไม่เป็นนักการเมืองอะไรเราไม่เก่งเรเรื่องนั้นแต่เราเก่งเรื่องนี้เราเก่งจะมาช่วยบรรยากาศ ที่มันเกิดแล้วเนี่ยเราไม่ให้มันเกิดไม่ได้เขาทํามาตั้ง15ครั้งแล้วชุมนุมต้านมาแล้วก็มาจับปะทะกันไม่ปะทากันมาจะเกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องจะจุดจราจนไม่จราจนแล้วมันก็ไม่จราจนมาตั้ง15ครั้งมันเป็นความสวยงามแม่นี้สวยงามเรานับถืออาตมานับถือนะว่าเราได้มาร่วมก็ดีแล้วก็มาช่วยอย่าอยากให้มันไปตลอดรอดฟังสงอ์วิงญี้ไปตลอดรอดฟังคนว่าเรามาชุบมือเปิบไม่เปิบไม่แปะอะไรหรอกจะมาช่วยเขาจะว่าเราชุบมือเปิบเ่าจะหัวเขา เราจะมาช่วยให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยแล้วผ่านไปสู่ความสำเร็จในการต่อต้านอันนี้เพราะไม่ต่อต้านให้หยุดไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องจะต้องเข้าใจอย่างจำนนแต่หากช้าลงจะช้าลงหรือจะเร็วขึ้นเราไม่มีปัญหาถ้าเร็วก็ดีเราก็เหนื่อยน้อยลงไม่มีปัญหาหรอกแต่ช้าก็ไม่ว่าเราก็คิดว่าเราจะช่วยได้แม้ช้าเราก็คิดว่าเร า, เราอดทนได้ นั่นเราก็จะช่วยไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักหรือเนื้อแท้ที่เราจะมาทํางานคราวนี้เรามีน้ำหนักตรงนี้มีเนื้อแท้ตรงนี้มีเจตนารมตรงนี้ความมุ่งหมายตรงนี้คนก็ยังละเอียดไม่พอยังเข้าใจไม่ได้ก็เลยไม่โชว์ตรงนี้ไม่บอกตรงนี้เราก็เลยกลายเป็นเราก็คือพวกมบ็บจะมาก่อความวุ่นวายจะมาทําให้เกิดจราชนรุนแรงยิ่งขึ้นปัดพ่อเราจะมาลดไม่ให้เกิดตั้งหากเราบอกคุณเอ้ย คือมันฟังไม่ขึ้นกันยังไงอาตมาไม่เข้าใจนี่มันให้เกิดความแตกแยกปดท้เราจะไม่ให้เกิดการสงบการประสานการสมานจะไม่ให้เกิดความเดือดรอ้อนไม่ให้เกิดล้มตายอะไรต่างๆพวกนี้นี่คือประเด็นที่ชัดเจนเขาก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเอ้าก็ไม่เป็นไรมันยากจะรู้เนาะเราทำเรารู้ของเราเราทำจริงกันแล้วกัน จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ของเราเองเนี่ยเราไม่มานั่งเจ็บปวดไม่มานั่งทุกขร้อนไม่มานั่งเกิดอะไรคุณแล้วเราจะสงบของเราเนี่ยเราได้แล้วเราไม่ปะทะเราไม่ไปร้อนเราไม่ไปตีไปรันฟันแทงเราอยู่ของเราเนี่ยเราทำได้หมู่บ้านของเราไม่มีอาชญากรรมในเรื่องของการโทสะโกทะเราอักโกทะอย่างเพียงพอแล้วไม่เคยเกิดอาชญากรรมในเรื่องเกิดตีรันฟันแทงอะไรกันหมู่บ้านเราอยู่ของเราเองสงบเราก็อยู่หมู่บ้านของเราไม่มาออกมารวมคราวนี้เนี่ยเราก็สบายของเราอยู่แล้ว แต่เราไม่ใจดําพอเราไม่เห็นแก่ตัวมากพอเราเห็นว่าควรจะมาร่วมมือช่วยสังคมมันเกิดเรื่องนี้เรามีอะไรจะมาช่วยเขาก็เรามีอันนี้แหละคิดว่าเราจะมาช่วยได้โดยกายกรรมวจิกรรมโนกรรมที่เรามีอันนี้แหละเราจะมาช่วยอันนี้คุณจะเข้าใจได้เข้าใจไม่ได้อะไรแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วเราก็ได้มาปฏิบัติเห็นผลอยู่พอสมควรคนที่ก็มองออกมองโอ้โห ถ้าเราไม่มาวันที่ยี่สิบกนี่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้วันที่ยี่บหกที่ผ่านไปในสิบหกกุมยี่สิบหกุมพาเนี่ยจะมีเลือดกันหรือเปล่าไม่รู้ผ่านมาถึงวันที่ห้ามีนาอีกโอ้โหทําไมมีพวกเราบ้างเนี่ยจะเกิดเลือดน้องกันหรือเปล่ายจะมีเลือดกันหรือเปล่ามีคนเจ็บคนตายหรือเปล่ายอมไม่รู้แต่เราก็คิดว่าเรามีส่วนหนึ่งแม้จะเป็นน้ําหนักเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้ที่เขาดีแล้วเนี่ย มันดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราไม่ได้มาใหญ่มาโตเราไม่ได้มาแหว่เป็นเพราะเราทีเดียวเป็นเพราะเราใหญ่เราเบ่งเราสำคัญเราไม่ได้หลงตัวหลงตนอย่างนั้นหรอกนะอาตมาก็ว่าอาตมามีความจริงใจที่พูดนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้มาพูดเอ า, เอาโ ก, ก้อดีถ้าอาตมามีความไม่จริงที่พูดนี้พูดไปที่จริงนี่มีใจมีวาระซอนเรนต้องใช้ศับทันสมัยเราใช้สับสันสมัย ไม่มีใจแฝงๆอยู่อย่างนึงมีวาระซ่อนเร้นในหัวใจว่าที่จริงเราก็จะมาเอาโก้เอาดังเอาดีเอาอะไรมาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้คิดเลยแม้แต่กระจีดึงก็ไม่ได้คิดมอชอยลลลไม่เชื่ อ, อยลลบลูไม่ได้คิดจริงๆก็เราจะมาทําตามเห็นควรเท่านั้นเองอาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระอริยะนะ มีความจริงสาหรับพวกนี้เพียงพอใครจะเชื่อไม่เชื่อแค่ไหนก็ฟังเอาพราะเราก็อาจจะเชื่อข้างนอกเขายังไม่เชื่ อ, อ ง, ง่ายๆหรอกเขาจะจพิสูจน์กับอาตมาอาตมาก็ยังนึกอยู่เลยว่าคนที่ตามพิสูจน์อาตมาเนี่ยอาตมาว่าตายไปก่อนที่จะพิสูจน์สาเร็จหลายคนแล้วก็ยังไม่ยอมตัดสินใจว่าจะมาศึกษาฝึกฝนตามที่อาตมาพาทำแล้วก็จะตายไปก่อนหลายคนเลยนี่น่าเสียดายนะสงสาระจะมีหลายคนก็พยายามตัดสินเร็วๆนะ อย่าช้าเกินไปแล้วตายก่อนไม่ได้มาฝึกฝนปฏิบัติมาเรียนรู้นะเอาละอาตมาได้แสดงทำอโกทะอวิหิงสาหรือขันติอย่างพิสดารอย่างลึกไม่ได้อธิบายในแนวตื้นแนวตื้นก็คิดว่าพวกเราไม่มีปัญหาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าความไม่โกรธอาตมายกอ้างทั้งในรูปธรรมนามธรรมที่ควรจะเป็น ก็ได้พยายามสาธยายน่าให้เห็นให้เข้าใจเพราะถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มวิชามีวิปัสนาญาณมีมโนมยิทีิมีอิทธิวิธีมีทิพยโสตมีเจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณมีจตุปาตายานมีอาสวัคคายานของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีวิชาเพิ่มขึ้นจริงๆนี่แหละก็จะมีทั้ง8องค์หรือเก้าตามที่มันมีอยู่ในตัวของฌาน เกิดจริงเป็นจริงคุณก็จะได้รับรู้จะได้เกิดญาณปัญญาว่าโอ้ความจริงเป็นเช่นนี้มรรคผลที่เกิดเกิดอย่างนี้จิตของเราสงบจิตของเราแข็งแรงจิตของเราไม่เป็นโลกีกิเลสมันลดกิเลสมันหมดมันเป็นเช่นนี้ฉชนนี้เองศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ศาสนาที่มมงมงคลา คนนั้นบอกคนนี้ตัดสินให้คนนี้ให้คะแนนให้ไม่ใช่ปั จ, จตังเวทิตโพวินยูหตีตนรู้ได้โดยตนตนบรรลุก็รู้ว่าตนบรรลุตนจบกิจก็มีกัตตาญานที่จะรู้ว่าเราจบกิจเราจบแล้วเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วพิสูจน์แล้วเวทนาร้อยแปดอดีตปัจจุบันอนาคตร้อยแ 36 36 36เราเห็นชัดเจนแล้วอดีตของเราก็แข็งแรงมั่นคงถาวรเป็นนิจจังทุวังสตสตังอวิปรินามะางธ ม, มังอสังหิรังอสังกุ ป, ปังมันเด็ดเดียวแล้วคงที่แล้วเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงยั่งยืนไม่แปรเป็นอื่นไม่มีอะไรมาหักล้างได้แล้วอดีตทุกอดีตสังสมเป็นตัวตกผลึกที่เป็นแกนแข็งแรง พอมาถึงปัจจุบันทุกปัจจุบันก็อนัตตาก็สุญญ า, าก็สงบเรียบร้อยก็ไม่มีกิเลสเกิดสุญญตาเพราะฉะนั้นอนาคตอันไม่เคยมีเลยเราก็พยากรณ์ได้ว่าเมื่ออันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์อดีตศูนย์ปัจจุบันศูนย์ศบวกศอนาคตเท่ากับนี่คือเวทนาที่ร0 8ย ขอยืนยันว่าถ้าไม่มีโพธิรักเกิดธรรมะบทนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครไข่ปฏิบัติไม่ได้รู้ก็ไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยทฤษฎีนี้ศูญเปล่าทฤษฎีนี้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไม่พิสูจน์อาจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์มาพาพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์น้อยๆทั้งหลายเอ๋ยออไม่เอ๋ยเหรอเข้าใจวิทย์เข้าใจสูตร วิสนาร8อไหมอลองพิสูจน์ด้วยมือตนแล้วก็ให้รู้ให้ปรากฏผลสำเร็จในมือตนนั้นก็ขอให้ทุกคนพิสูจน์เวทนาร0 8ยโดยสามารถรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตอันยืนยันมั่นคงได้ว่าอนาคตนะั่นคือความยังไม่มาถึงยังไม่มีมันมาถึงเมื่อไหร่มันเป็นปัจจุบันทุกทีแหละ แต่อนาคตนั้นเราก็พยากรณ์ได้ด้วยสถิติของอดีตกับปัจจุบันนั่นเองเป็นตัวยืนยันและตัวที่ไม่เที่ยงอนาคตก็คํานวณยากเช่นสมมติว่าอดีตได้8ปัจจุบันนี้แม้จะได้8ก็อาจจะไม่เที่ยงดีไม่ดีมันอาจจะเป็น7อาจจะเป็น6แล้วอนาคตมันจะคํานวณแม่นตรงไหนแต่อันี้มัน 0, 0ูศเมื่ อ, อไหรก็ศูนย์ศมันไม่มีตัว ขับเคลือ่อนมันมีตัวเคลื่อนไม่มีตัวแปลงไม่มีตัวแปลไม่มีตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นอนาคตนี้ที่แม่นที่สุดนั่นคือศูนคือศูนแม่นที่สุดคือศูนนอกนั้นเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีหนึ่งปั๊บเริ่มเปลี่ยนได้มีสองมีสามมีสิบเปลี่ยนได้คือมีความเกิดถ้ามีความเกิดไม่เที่ยงถ้ามีความดับสนิทอันสนิทเด็ดขาดเป็น สัจตานิจังทุวังสัสตังวิปริณามะธรรมอสังหิรังสังกุปังความดับที่ดับสนิดอีกอย่างนี้แล้วทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกเลยนี่คือสุดยอดแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาสําหรับวันนี้ก็โอ้โหมันยายมาเติมคําสุดท้ายของศาสของราชธรรมคืออวิโรธนะตัวที่สิบ อวิโรธนะหมายความว่าความไม่คลาดห่างจากธรรมะหมายความว่าในชีวิตของคนเนี่ยดูรูปธรรมก็รู้ว่าโอ้คนนี้มีศีลมีธรรมดูว่าจีธรรมก็รู้ว่าโอ้คนนี้มีศีลมีธรรมนี่เป็นการเห็นได้ด้วยสัจจะที่มีจริงว่าคนนี้มีศีลมีธรรมไม่คลาดทางสําหรับตัวเองทีนี้เรามีสติสัพพัญญาปัญญารู้ว่าตัวเองตอนนี้ คลาดห่างจากธรรมไหมโอ้ตอนนี้เราไม่ได้มีธร ร, รมะอยู่กับตัวเลยไอ้ที่เคยได้ก็เปลี่ยนแปลงเป็ น, เ ป, นเป็นอนธรรมกรายกรรมก็เป็นอนธรรมวจีธรรมก็เป็นอนธรรมบกพร่องบ้างก็ต้องรู้ว่าอันนี้ก็คลาดห่างไปแล้วบกพร่องอ๋อขอเรายังมั่นคงอยู่เที่ยงแท้ทาวรด้วยกายกรรมที่เราปฏิบัติเป็นธรรมอย่างนี้ได้แล้วคงทนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ววจีธรรมอย่างนี้เราก็ทําได้แล้วคงทนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราก็ไม่คลาดห่าจากสิ่งที่คงที่แน่นอนเที่ยงแท้ถ้าธรรมะใดที่เรายังไม่ได้เราก็ต้องสองมน ร, ระวังต้องมีศีลต้องมีสํารวมอินทรีย์หรือต้องมีสติปัฏฐานสีต้องมีสมปทานสีต้องมีอิทิบาทสีทอมพิจารณาต้องฝึกฝนต้องปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าเราเองเรายัางไม่จบเรายัางมีงานปฏิบัติธรรมที่จะต้องปฏิบัติอยู่เราก็อย่าคลาดห่าจากโจทย์ หรือแบบฝึกขัดที่เราพึงปฏิบัติธรรมถ้าเรายังมีโจท์ที่เราพึงปฏิบัติธรรมของเราอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นชื่อว่าไม่คลาดห่างจากธรรมไม่คลาดห่างจากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดมรรคผลของธรรมนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสานึกสังวร น, นะส่วนคนจบแล้วนั้นมันจะมีเป็นกายวาจาใจบริบูจบกิจเป็นอรหันแล้วไม่ต้องสังวร อ, อะไรอีกมันเป็น ตัวมันเองมันเป็นตัทธตาแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันสมบูรณ์แล้วมันไม่ต้องไปเรียน อ, อีกสังวรอีกต้องระวังอีกไม่ต้องมันเป็นเองอัตโนมัติมันเป็นสิ่งสุดจริตบริสุทธิ์เป็นอกุศลอย่างแต่กุศลได้ถึงพร้อมสัพป า, าปัสสะกระนังบาปความไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีมันไม่ทําอีกแล้วมันทําแต่กุศลทำแต่สิ่งดีกุศลสุปัสสะตาเพราะจิตสะอาดบริสุทธิ จิตตปริโยตปะนังสจิตตปริโยปนั ง, นงมันได้สะจิตตปริโยปตะปนังคือมันได้ทําอธิจิตให้จิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์ได้สมบูรณ์แล้ว น, นี่ก็คือที่สุดที่จบของธรรมะของพุทธเจ้าเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยอวิโรธนะที่สมบูรณ์ว่าต้องระมัดระวังทุกคนอย่าให้คลาดทางจากธรรม